ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมรมวัดเช้าเรื่องการตัดรอบขั้นปลายแห่งอริยะภูมิเนื่องจากเทปชุดนี้ระบบเสียงค่อนข้างไม่ชัดเจนเนื่องจากพ่อท่านได้แสดงธรรมไว้ตั้งแต่วันที่18คกดกรกฎาคมพุทธศักราช2519คณะผู้จัดธรรมพิจารณาเห็นว่าเนื้อหาของธรรมชุดนี้ ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจึงอยากให้ผู้ฟังได้มีโอกาสสดับฟังการบรรยายธรรมในอดีตของพ่อท่านบ้างและขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้คราวที่แล้วเราได้บรรยายกัน เริ่มต้นถึงสุขภิปัสสโกคือพระอรหันต์ที่เราพยายามที่จะอธิบายสู่กันฟังโดยใช้คำเรียกว่าสุขภิปัสสโกจะกำหนดความหมายหรือขอบเขตของพระพระอรหันต์อย่างใดซึ่งก็ ได้ทราบไปแล้วว่าสุขวิปสัสสโกนั่นแหละคืออรหันต์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงสุขวิปสัสสโกทุกองค์จะต้องเป็นสุขวิปสัสสโกหมดไม่ลาเว้นสําหรับพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะปฏิบัติมาทางตรงเป้งเป็นสุขวิปสัสสโกโดยร้อยเซ หรือจะมีการปฏิบัติโดยใช้อุบายอย่างอื่นผสมอุบายวิธีอย่างอื่นผสมเสรศเพราะได้ทำมาโดยเอนเอียงไปในลักษณ ะ, ะตามจริตหรือว่าตามอินทรีพระก็ตามใจแต่สุขภพวิปัสสโกนั้นก็คือผู้ที่ใช้วิปัสสนาวิปัสสโกหรือวิปัสสกัปล้ว่าผู้ใช้วิปัสสนาโดยตรง หรือใช้สติปัฏฐานโดยตรงคือพิจารณาตลอดระยะเวลาทุกขณะพยายามทำขณะทุกขณะที่เราจะทำความรู้สึกและสร้างสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะเกิดปิติเกิดปสัสสติสังสมลงเป็นสมาธิเป็นอุบเบกขาอันมั่นคงตลอดเวลาเรียกว่าเดินโพดชงอยู่ตลอดเวลาโพดชงหรือโพด ท, ทิ โพธิมีโพธิมีการตรัสรู้ให้แก่ตนเองคือการเพิ่มจิตที่มันเป็นตัวรู้และตัวละหรือมีญาณกับมีวิมุติให้แก่ตนเองเสมอๆ ม, มีเสมอๆ ม, มีกรร ม, มวิธีที่สังสมอยู่เสมอๆ เ, เป็นปัจจุบันธรรมได้เท่าใดก็นั่นแหละเป็นกรร ม, มวิธีหรือเป็นมรควิธี ของพระสมัยพระพุทธเจ้าเราไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่ว่าเราจะอยู่มีผัสสะทวารทั้งห้าไม่ว่าจะใช้ทวารจิตแต่เอกเทศก็ตามก็จะต้องมีผลรู้และมีผลทราบซึ้งใจและจิตมันปล่อยละมีวิราคานุปัดสีถึงพร้อมพิจารณาเข้าถึงพร้อมด้วยการจางคลายอยู่เรื่อย มีการจางคลายมีการาปล่อยออกมีการเปลื้องออกอยู่ตลอดเวลาจิตจะต้องมีอาการคลี่เปลื้องออกถ่ายถอนออกจางคลายออกอยู่ตลอดเวลาเสมอนั่นเรียกเป็น ว, วิธีตรงเอกายยนามัคคของพระสมมานพรพุทธเจ้าอันนี้นเป็นมัคควิธีทางเอกเป็นทางเดียวจริงๆที่พระสมานพรพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า เป็นเอกยนามโคการบรรลุธรรมของพุทธมามะกะทุกรูปทุกนามจึงบรรลุด้วยทางอื่นไม่มีบรรลุด้วยทางอื่นไม่มีแต่ที่เน้นแยกเรียกผู้บรรลุส่วนหนึ่งว่าสุขวิปัสสกบุคคลตรงนี้สุขวิปัสสกบุคเ่อสุขวิปัสสโกอีกส่วนหนึ่งว่าเตวิชะบุคคน องเล็กเตวิโชนั้นก็หมายเอาก ร, รมมวิธีดังกล่าวแล้วกล่าวคือผู้มีสัจทินรีศรัทธาพระแก่กล้าแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากนักเพราะเป็นผู้รู้จักผัสสะได้ดีเป็นผู้รู้จักผัสสะได้ดีมีการกระทบมีกา ร, รได้สัมผัสทางใจอสัมผัสทาง ตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้าใจนะก็รับรู้ก็พิจารณาก็เกิดผลที่จะเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทำให้ตัวเองจางคลาย ร, รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละผู้ภาษาง่ายๆมันมีจิตนี่มันรู้มันเข้าใจมันเห็นว่าอ้อแยกออกว่านีด่ดีนี่ชั่วนี่ชั่ว มันก็รู้ชัดเจนเพอ ร, รู้คําว่าชั่วจิตมันก็จะแหนงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วว่านี้ชั่วนี่ถูกนี่ผิดนี่ดีมันก็จะโน้มหรือว่านี่ถูกมันก็จะโน้มนี่ชั่วนี่ผิดมันก็จะแหนงมันมีโน้มกับมันมีแหน่งอพอมันเกิดยานเกิดรู้ด้วยจริงในคนเนี่ย วิเคราะห์เข้าไปให้มันชัดเจนมีสติสัมปชัญญะชัดมีธรรมวิจัยแท้มีวิริยะภาคเพียรกระทำสมมมันจะเฉยๆไปปล่อยมันไม่ค่อยอยากทําแต่ถ้าเปื่อว่ามันรู้ผลมันเห็นผลแล้วมันเกิดเป็นวิปัสสกะ บ, บุคคลหรือว่าเป็นผู้ที่ได้ใช้วิปัสสนาเห็นผลแท้แล้วมันจะทําเสมอทําเสมอมันก็ยังจะมีส่วนตกบกพร่องเมื่อเราเข้าห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นคราวๆ บางทีเข้ามานั่งแล้วยังใจไม่ค่อยอยากจะเรียนได้ซ้ำไปเช่นเดียวกันวิปัสสนาเนี่บางทีมันก็เมื่อยเมื่อบางทีมันก็ยังไม่อยากจะทํานักเพราะก็ต้องพยายามจัดตารางให้แก่เราเองให้มันเพิ่มขนาดให้มากเพิ่มขนาให้มากเสมอเสมอเสม อ, สมอเพิ่มวิริยะจึงต้องใช้คำว่าวิริยะต้องเติมอุตสาหะเพียรอย่าให้ตกหลน่นพยายามจับรวบรวมสติแล้วก็มีธรรมวิจยะ พยายามพยายามเข้าให้สติมันตั้งเต็มถ้าสติไม่ตั้งเต็มมันไม่ออกนะมันพรามณวิจัยออกมายังไงมันก็ไม่รู้ชั่วรู้ดีที่ถูกแท้นะมันต้องให้สติตั้งเต็มเปิดโพรงเท่าที่ปัญญาเรามีสูงสุดเราใช้ปัญญาเราให้สูงสุดใช้สัมพชัญญะสูงสุดย่าไม่รีรีรรีมันไม่ม ไ, มมไม่ชดัดไม่กระจัดรีรีหรือว่าพลางเลางเลื่อนเลื่อนหน่อยไม่เต็มที่ไม่คยย่อยกระจ่าดหรอก วิเคราะห์หรือวิจัยไม่กระจ่ดแล้วสักแกดูตื่นเต็มโพรงนี่มีอะไรแล้วก็แยกเออขาวชัดดำชัดอ่านี่นี่เขียวนี่แดงอันนี้ควรจะดีหรือควรจะไม่ดีวิเคราะห์ซ้อนลงไปวิเคราะห์ซ้อนลงไปหาเหตุหาเลตหาหลักฐานประกอบข้อมูลประกอบขึ้นมาให้มากๆมันจึงจะเข้าใจได้ดีเรียกว่าเราเข้าใจในสังขารธรรมเพราะผู้ใดมีอินทรีย์มีพระ เข้าใจในสังขารธรรมมาได้มากแล้วและแท้ๆก็คือผู้เป็นพระโยคาวจรขั้นจิตตกเข้ากระแสะอนาคามีรู้สงบและอยู่สงบได้แล้วโลกทั้งหลายอันมีโลกอบายโลกกามโลกธรร ม, กกรรมไม่กวนใจไม่ก่อทุกข์จนต้องดีดดิ้นเพราะมัน นับว่าเป็นผู้มีพระวะปัจจัยสูงแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านรู้หยุดรู้อยู่ก็ให้ระ ล, ลึกเอาอาดีตทั้งหลายมาพิจารณาจนเกิดญาณเพราะจิตมันไม่ได้สัตว์สายมันไม่มีแรงของกามดึงไปแรงของอบายดึงไปแรงของโลกกระทำดึงไปมากแล้วละ่ะเป็นผู้รู้หยุดรู้อยู่แล้วไม่ต้องเสียพลังงานส่วนหนึ่งที่จะเพื่อไปคมตัด ไอ้จิตที่มันจะต้องออกไปพุ่งออกไปฟุ้งซ่านออกไปไปหาจะพวกกามจะพวกอบายมุกจะพวกโล ก, กทำอะไรต่างๆหรือไอ้ที่เราเคยไปผูกมัดไปเป็นสังโยชน์ต่างๆมีกามราคะอยู่กับมันหรือว่ามีพยาปาทะอยู่กับมันแรงคือเป็นผู้ที่ได้มีกามฉันทะอ่อนแล้วพยาบาทะก็อ่อนแล้วและไม่หลงธีนมิทะด้วย ไม่หลงถีนมิธาด้วยแกนทั้งสหรือแม้แกนของอุทธจักทั้งสี่นี้อ่อนลงมาแล้วมีพระว่าปัจจัยมีอินทร์พร ะ, ะจริงๆต้องเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นถ้าผมว่าเขาจะบอกว่าจะก็จะมานั่งหลับตานั่งหลับตาเข้าไปเพื่อที่จะคมโดยกรรมวิธีของชาวฤาษีทั้งหลายคมไม่ให้มีการมฉันทะตัดไม่มีพยาปาทะไม่มีถีนามิธะไม่มีอุทจักจกุกุจัก พยายามขม่มพยายามใช้ความภาคเพียรตัดเอาแล้วก็จะไปใช้ทวารใจให้มันจนกระทั่งทวารใจเราบางเบาตัดมันปล่อยไปได้ช่วงระยะหนึ่งก็ได้ก็ได้ไดนะเป็นการต่เพียงว่าเรามีมาตราการในการที่จะไล่สวะออกไปสักช่วงนึ่งสังก่อนไล่ไล่สวะออกไปแล้วเราก็จะดูส่องดูน้ําในนั้นน้ำ ท, ที่ที่มันตาธรรมดาก็สวะวัดปิดอยู่เนี่ยต้องพยายาม ดันเอามือดันดันดั น, ดนแล้วพยายามแหวกแหวก แ, แ, แล้วใช้กําลังส่วนหนึ่งใช้กําลังส่วนหนึ่งที่ใช้มือใช้อะไรแหวกสว่านนี่ออกไปเพื่อเราจะจะส่องดูน้าคือพิจรารณาได้ทำวิจัยเนี่ยที่ในน้ำเนี่ยมันมีโครนที่ในน้ํามันมีสาหร่ายมันมีอะไรจะอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในน้ําที่ปนป น, ปนอยู่เลอะเถอะเอเนี่ยเราจะดูส่องให้มันเข้าไปให้เห็นให้ลึกให้ทะลุให้แจ้งสิว่ามันมีอะไร เขาก็ต้องแหวกไอ้สว่านนี่ก่อนแล้วก็แหวกทีนั่นเน่ยเผลอไม่ได้เผลอได้สวะหลุดมาแล้วก็จะต้องมีกําลังส่วนหนึ่งดึงมันไว้อยู่นั่นแหละมันยากแต่ถ้าทํำคร่าวๆมีวิธีแล้วก็จนช่างชินชาแล้วก็เก่งได้เหมือนกันนะเก่งได้เหมือนกันทําแหวกสว่านี้คล้ายๆ ล, ลักษณะเดียวกันเลยพอเสร็จแล้วส่องดูแล้วเสร็จแล้วดูกิเลสตัณหาถ้าเขาทาถูกทาง เธอสองดูกิเลสตนาดูลาโลภาษโทสามูหมัหกของจิตของเราโดยยกเอาสิ่งที่ไม่จริงไม่ใช่จริงโดยที่เป็นปัจจุบันธรรมแต่เป็นสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วเป็นอดีตที่เราจดจำได้อยู่ระลึกปั้นเอาสิ่งที่ภาพ ท, ที่สภาพที่ได้ประสบมานั้นออกมาดูอีกทีออกม า, าระลึกอีกทีออกมาซับซัารู้สึกอีกที ว่ามันเป็นสุ ข, สขเป็นทุกข์อย่างไรมีกําลังของโลภะอะไรมีกําลังโทสะอะไรกระทําผสมหรือสังขารกันอยู่ในเหตุการณ์ที่ประสบผ่านมาแต่ก่อนจําได้แล้วก็รสชาติมันก็จะจําได้บ้างแต่มันไม่เต็มที่มันไม่ชัดเจนหรอกแม้รสชาติในปัจจุบันเขาวก่อนโน้นที่เราเคยโกรธแรงอย่างนี้ประสบการณ์อันนี้มีอย่างนี้ มีลักษณะจิตอย่างนี้มีสุขมีทุกข์เพราะอาการโกรธอาการโลภอย่างนี้อย่างนี้ย่าดิ้นรนอย่างนี้มันจะไม่ใช่จริงแต่ก็มีรูปรอยมีรูปรอยใครพยายามระลึกสัญญานั้นได้มากยกเข้ามาให้มันเหมือนกับเป็นจริงได้มากยกสภาพขึ้นมาได้จริงเท่าไรย่างจิตลงไปหรือว่าพยายามจะเรียกว่ายกหรื อ, อย่างอะไรก็ตามแต่มันไม่มีการนี่เป็นแะต่เพียงบัญญัติสมมุติ ที่เราจะอธิบายสู่กันฟังเท่านั้นแล้วก็ทำผ่านยกไอพวกนั้นขึ้นมาเรื่องแล้วเรื่องเราเหตุการณ์แล้ว เ, เหตุการณ์เล่ามีหลายๆ ล, ลักษณะที่จะทำให้เราเข้าใจถึงโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตของเราแล้วก็วิเคราะห์ซ้อนในอันนั้นแหละทำวิจัยซ้อนในอันนั้นแหละให้สติของเราอยู่กับเรื่องนั้นไม่สั่นสายเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ในเอกาเอ ก, าเอ ก, าเอกาตารมอยู่ในเรื่อง แล้วก็ซ้อนวิเคราะห์ทำวิจัยออกมาใช้ขอาพยายามมากกว่าถ้าอินีพล ร, ะ, ระเรากล้าจริงเป็นอนาคามีตรงนะมันก็ไม่ต้องไปที่ได้นั่งแวกสะวะเพราะว่าจิตมันไม่ฟุ้งซ่านไปหากามอยู่แล้วถึงจะพุ้งกำลังก็อ่อนน้อยเป็นรูปราคะอรูปราคะเศษหน่อยๆไม่มากนะพยาบาทมันก็ไม่มีกำลังไม่หลัวซึงอะไรไป พรเวลาเราไม่จิตเราไม่ได้ปิติยินดีมันไม่ได้ลิงโลดไม่ได้ชื่นชมตื่นเต้นอะไรกับไปกางเมฉันทะกับพยาบาทมากแล้วแล้ ว, ลวก็แล้วจิตมันก็ไม่ได้ปุ้งไปหาเรื่องน้นเร่อ ง, งนี้อะไรมากแล้วก็มันจะรีมันจะรีรีรีไปรีแล้วมันก็จะเป็นอาการอันหนึ่งที่มันถ้าเผื่อว่ามันหนักหนักลงๆ ๆ, ๆนั่นแหะกุศจั มันไม่สเบายมันไม่เบิกบานจับใสมันมัวมันซึมซึมทึบๆอื้ออืดอึดอไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรผมก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรอ่ะใครมีประสบการณ์มีลักษณะอย่างนั้นก็รู้เอาเองก็แล้วกันพอเวลามันรีมันตื้อมันมันไม่ใสหรอกแต่มันก็ชอบได้เหมือนกันนะเหมือนของของคนชอบของเหม็นอ่มันชอบได้เหมือนกันเหมือนคนชอบของเหม็นน่ะว่าของเหม็นอร่อย เป็ติดของเหม็นมันไม่ใช่ลักษณะของหอมในนี้นี่ก็ใช้บัญญัติแยกไว้หอมกับเหม็นมันเป็นลักษณะยังไงมันเป็นความทึบๆตื่อๆไม่ใช่ความใสไม่ใช่ความสว่างอะไรมากนักหรอกไอ้ธีนามิทานี่แล้วมันก็ชอบที่จะรีลงไปงั้นไม่ละขอให้หยุดขอให้รีลงไปหาหยุดน่ะดีคือจิตใจของเรามันไม่เลิศออกไปกับไอ้กามาชันทะจะไปไข่ไปอยากไปตื่นเต้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ของโลกของอะไรแต่ไรแล้ว และว่าเรื่องที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้โดยสายโทรศัพท์คือพยาบาทที่จะไปหาเรื่องคิดปรุงไอ้เรื่องที่จะไปแก้แค้นไปทําให้โนดนให้นีน ين, ่อะไรกับใครพยาบาทไม่มีมันอ่อนน ะ, อะไอ้เรื่องที่จะอยากได้รูปรสเปลี่ยเสียงสัมผัสลาบยศอะไรมันก็เบาบางเนะจิตมันก็จะรีรีรี ร, ร, ร, ร, รนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติโดยทำโดยทําเองเป็นโดยทำเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งหลับตาหรอกวดโถกิขคานจะต้องมาแก้รีนี่ยาก นี่เราปฏิบัติธรรมมเนี่ยผมไม่ได้พาปฏิบัตินั่งหลับตามาเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมเข็นหลับตานี่ยังยากจะตายมันถึงบาดของมันเองมันถึงนิวรณ์ไปขั้นเป็นตอนเองมันเป็นระดับการพิจารณปยาบาทนิทธิลามิทะมันถึงขั้นตอนมันเองพราะจิงมันไม่ออกไปนอกตัวมันต้งสร้างมันเป็นกุศจะชนิดหนึ่งกุศจะชนิดไหนแต่เราไม่รู้เราไม่อ่านมันไม่ใช่ความ มันไม่ใช่ความใสโปรต์โป ร, โปรง่งเป็นพุทธะแท้เบิกบานตื่นโปรงใสอยู่เหมือนกิดปกติเนี่ยคุณไม่ไม่ง่วงไม่อะไรนี่นะคุณเต็มที่อยู่สติเต็มอยู่โปรงๆอย่างนี้เป็นปกติกลางวันอะไรเงี้ยเขาก็มีสติเต็มแล้วก็ใสเบิกเนี่ยเรียกว่าผู้เบิกบานแจ่มใสผู้รู้ผู้ตื่นมันเหมือนปกติธรรมดาของเรานี่ธรรมดาอารมณ์ตื่นกลางวันธรรมดาอยู่ ไม่ไม่ไม่อึดอัดอะไรไม่มีเรื่องจุกจิกอะไรไม่มีเรื่องอะไรโพรงธรรมดางเงี้ยเป็นลักษณะจิตวิถีธรรมดาธรรมดาเงี้ยเนี่ยเป็นปกติมนุษย์แล้วไปใช้ความปกตินี่แหละรวบรวมสติตั้งสติให้ดีอธิษฐานะตั้งใจให้ดีตั้งสติสติคืออะไรเข้าใจให้มันให้ชัดแล้วว่าอ๋อเรามีสติแล้วก็เพ่งรู้เพ่งอ่านถ้าเราจะเพ่งขึ้นที่จิตในมโนทวาร จะระลึกย้อนเรื่องบุพเพณิวาสานุก็จะระลึกย้อนเรื่องนั้นเรื่งนี้ตั้งใจดีเรื่องอะไรที่โผล่ขึ้นมาก่อนจับเรื่องนั้นก็ได้เพราะเรื่องไหนเด่นมันจะโผล่ขึ้นมาก่อนได้เรื่องไหนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรก่อนอะไรหลังไม่มีอะไรที่เด่นกว่ากันจะไม่โผล่เขาพยายามโคนออกมาอาจับเครืเรื่องนึงเข้าไปก็ได้ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรก็หาเชื้อ เอาหนังสือมาดูเอาอะไรแต่ใดมาดูเอาแม้แต่บัญญตัติแม้แต่ภาษาเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือชื่อคนสักชื่อหนึ่งหรือเรื่องราวอะไรสักเรื่องเหตุการณ์อะไรสักเรื่องที่ททมีจับมาเกินแล้วก็ น, นําไปได้แต่มันไม่ยากถึงขนาดนั้นหรอกจริงจริงอะ่ะเราจะจะลึกเรื่องย้อนอะไรเรื่องหลังอะไรไม่ยากตรงไหนเลยมีมากมายเป็นล้านล้านเรื่องคนหนึ่งคนนึงเกิดมาอายุ ป, ปูนนี้แล้วไม่ยากอะไรจะทําอย่างนั้นก็ได้แต่ลักษณะตื่นโพรงนั้น เนี่ยพิจารณาธรรมดาธรรมดาเนี่ยและเราก็พยายามเข้าใจรู้ถึงโลภะโทสะมูลต่างๆไม่ว่าอย่างเป็นมหาคตจิตอย่างอ่อนระลึกไปจนกระทั่งในขณะใดที่จิตลดละอย่างสิ่งเหล่านั้นที่โอเคกับจิตอาการของจิตของเราเดี๋ยวนี้กับอาการของจิตของเราที่เกิดโลภะโทสะในคราครั้งนั้นกับจิตของเราเดี๋ยวนี้จริงๆจิตของเราเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเราเคยพยาบาทเคยโกรธเดี๋ยวนี้เอะผิดกันบางเบาแต่ก่อนเราเคยโรยแรง ถ้าเราสัมผัสเดี๋ยวนี้สมมุติว่าหรือว่าเราได้สัมผัสในคาหลังนี้้ะอ่อนบางอย่งไงมันก็จะรู้ความจริงรู้ความจริงมันคือปิติมันคือรู้ดีอ๋อเราดีขึ้นเนาะเราผิดแปลกกับเก่าเนาะเรามีการจางคลายปล่อยประละเลยมาได้เนาะบางอันโอ้เดี๋ยวนี้เราไม่มีเลยสนิทแล้วใจเราแม้แต่เรื่องก่อนนี้ที่เราเระลึกไปถึงโอ้โหแต่ก่อนนี้ สัมผัสขึ้นมาก็จะเกิดรสเกิดชาติเกิดโลภะโทสะอาการท่ชัดซึ่งมันแตกต่างกันมันจะเห็นได้ถ้าแม้เดี๋ยวนี้เราก็ยังมีอยู่เหมือนก่อนนี้ก็ให้เข้าใจว่าเราดึกถึงเมื่อก่อนนี้รสชาติก็ยังพโลภะโทสะก็โอ้โหยังแรงเดี๋ยวนี้ก็ผ่านเมื่อวานนี้เองหรือว่าปัจจุบันนี้เลือราสอบใจตนเองดูเอ๊ะถ้าประสบเข้าผานก็ ก็ยังแรงอยู่ยังมีรถโลภโทสะแรงอยู่บางทีได้ยินเสียงคนนี้เนี่ยเราไม่ค่อยชอบใจแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ได้ยินอยู่เมื่อวานนี้หรือเดือนก็ยังไม่ค่อยชอบอยู่อะไรพวกนี้มันเป็นพยาบาทมันเป็นการถือเครืองถือโกรธมันเป็นอุปนาหะมันเป็นการผูกโกรธยังไม่ปล่อยปละยังไปสร้างกรรมร่วมกรรมยังไปที่ได้ผูกพันเอาไว้อยู่เราจะไปผูกกันไว้ทําไมเพราะอะไรเราไปถือเครืองทําไมฟังเสียงเขาไม่ได้ ทำไมประสบรูปร่างหน้าตาเขาไม่ได้ทำไมสัมผัสทางตาทางหูเขาไม่ได้มันเป็นยังไงหรือเข้าของทำไมสัมผัสทางตาทางหูสัมผัสทางปิ่นสัมผัสทางรถสัมผัสทางกายทำไมสัมผัสไม่ได้สัมผัสแล้วทำไมมีรถจี๋จายย่ายขึ้นมาทำไมมีสภาพของกามรมร Creation, สภาพของโทสะมีการผลักการดูดอะไรแรงขึ้นมาเราไปโง่ขนาดไหนเราไปโง่อย่างไร ซ, ซ้อนวิจารณาซ้อนแล้วซ้อนอีกวิจัยเข้าไปด้วยหลักการที่เราพูดกันแล้วพูดกันแล้วหลักของพระพุทธเจ้าจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะขับจะปล่อยจะปรัจะฆ่าจะฟันมันลงไปเราจะต้องมีอาการของสติตื่นเต็มเพราะถ้าคนเป็นอนาคามีภูมิที่แท้แล้วมันไม่ยากมันเป็นแต่เพียงทบทวนเพื่อซ้ําเพื่อย้ําให้เราแน่ใจให้เราเห็นตัว จางคลายตัวนิโรธานุปัสสีตัวที่ได้ดับแล้วสนิทตัวที่ถึงพร้อมแล้วโดยการพิจารณาคือเราพิจารณานี่แหละเราวิจัยนี่แหละแล้วเห็นความถึงพร้อมถึงนิโรธถึงจิตของเราอ๋ออยู่เหนือพวกนี้แล้วเราผัสสะเดียวนี้หรือแต่ก่อนนี้เราผัสสะมไม่ไม่เหมือนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนนี้แล้วถ้าเราผัสสะเดียวนี้คือจางเฉยว่างอเุเบขาธรรม ไม่มีณักกรรมปติไม่มีจิตวันไหวอะไรแล้วไม่มีอาการของรถโลภโทสะมูลขึ้นมาไม่มีแล้วเข้าใจถูกหรือยังโมหะหรือเปล่าอาจจะหลงหรืออาจจะกลับหัวเป็นหางกลับผิดเป็นถูกทบทวนสอบสวนแล้วถูกทางแล้วละ่ะไม่กลับหัวเป็นหางและแน่ชัดแล้วด้วยอาการของโลภเป็นลักษณะอย่างนี้โทสะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างอ่อนอย่างกลางอย่างเบาเป็นอย่างนี้แม้อย่างเบาก็ไม่เหลือ เป็นนิโรธานุปัฏสีคุณก็จบได้แล้วสลัดคืนตอนนี้ก็แทนที่จะแต่ก่อนนี้อย่าไปสัมผัสมันนะมันยังมีรสบีชาติอยู่ถ้าเมื่อแน่ใจเป็นนิโรธอย่างเสด็จขาดอย่างดับได้หรืออำนาจจิตของเราเหนือมันแน่แท้แล้วคุณก็ไปสัมผัสได้สลัดคืนเป็นนิสกานุปัฏสีทวนย้อนกลับไป อยู่เนื้อมันแล้วเด็กขาดแล้วมั่นใจมีสมาธิมั่นคงเรารู้ว่าใจของเราตั้งมั่นเด็ดเดียวเป็นสมุดเฉ็ดไม่มีปัญหาอะไรคุณก็เลิกจำซ้ำแค่อิ่มนิ่งจมอยู่กับที่นี่อีกหรือในสภาพนี้อีกมั่นใจแล้วคุณก็บอกตัวเองได้อย่างเด็กเดียวคุณจะไปประหลาดใจอะไรเนี่ยการทบทวนนี่อนาคามีในจริงใจมันทํำได้แล้วมีกําลังใจมากพอ มีกําลังแปลงพอแล้วเป็นแต่เพียงทบทวนตัดสินให้รู้สภาพจริงของมันเท่านั้นเองแล้วจะไปหวั่นเกรงอะไรแล้วก็ไม่ใช่จะต้องมานั่งจมอยู่ที่นี้ถ้ามานั่งจมอยู่ที่นี้เป็นปฏิเสวนามาเสพคุณอาการนี้มาเสพคุณสิ่งนี้ถ้าไม่ทําคืนถ้าไม่สลัดคืนนะก็จะกลายเป็นสังสมส่วนนี้มีนิสัยมีวิสัยจมอยู่ในสภาพนี้แล้วก็จะกลายเป็น ถ้าเผือว่าเป็นอนาคามีเข้าป่าเข้าที่สงบเห็นที่ว่านี่คือออกมาอยู่ที่สงบในลักษณะของนี่กําลังอธิบายเหล่าพวกอยู่ที่สงบสงัดเป็นพวกที่จะพิจารณาส่วนหนึ่งส่วนวิปัสสกะหรือวิปัสนาธรรมดาของพระพุทธจ้าตรงนั้นสู้ต่อหน้าเลยมีปัจจุบันธรรมรููนิโลภะเกิดภาษาเดี๋ยวนี้นิโรภะเกิดโทสะเกิดตัดไปเดี๋ยวนั้นจานคลายลงให้ได้วิคัมพนาลงให้ได้ หรือวิปัสสนาเพื่อที่จะผ่อนเบาผ่อนบางลงให้ได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นรู้จริงอยู่เดี๋ยวนั้นพวกนี้มีอินทรีย์ถ้าพูด ก, กันจริงๆแล้วเก่งทั้งปัญญาทั้งศรัทธาพร้อมมีความเห็นแจ้งเชื่อมัน่นแล้วก็มีปัญญาที่จะละเอียดล ะ, ละอวิเคราะห์ออกตัดชิ้นออกแล้วก็รู้ว่าติดของเราได้โรคจของเราเป็นชัดเจนแล้วต่อสู้ทันทีทันทีมีผลสูงมีผลทันทีมีผลจริงไม่ใช่นั่งนึกคํานวณเอาเหมือนอย่างที่ว่านี่ เทียบเคียงจะถูกร้อนั้นเป็นไปได้ยากยังเก่งกับ90กว่าแท้จริงมันไม่เป๊ะหลอมันเป็นการคาดคะเนนและก็เป็นการเอาของเก่าๆมาคํานวณขึ้นมาเท่านั้นซึ่งมันมีผลเหมือนกันนะมีผลเหมือนกันถ้าใครมีอินทรีย์พร ะ, ระมากก็จะได้จริงมากเท่านั้นเองใกล้เคียงมากมากจนเกือบจะเป็นเก้าบเก้าเป็นต์เรายกให้อย่างพระสมมาสัพพุทธเจ้าอานี้ถ้าเราลึกความหลังลึกความเก่าของท่าน มีอินทรีย์พลระดึงดูดเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นมาสมมุติขึ้นมาในจิตให้เห็นเด่นชัดถ้าก็มีกําลังที่จะยกเขาไอ้สิ่งนั้นมาใกล้จริงได้มากเท่านั้นเพลกบุเพนิวาสารุสติที่มีกําลังสูงมันก็เกิดยานสูงเกิดยานชัดเจนได้เหมือนกันถ้ายานไม่สูงแล้วลึกขึ้นมาก็โอ้รสชาติจําไม่ได้แล้วอาการเป็นยังไงมันก็ไม่มีผลอะไรเลย เพราะมานั่งอยู่นอนโคนไม้นอนป่านอนเขาโน่นทานั่งก็จะหลับเอาหลับเอาเท่านั้นเองจะมีเรื่องอะไรมันเป็นในิวสัญญานาสัญญาณเลยส่วนใหญ่เพราะกําลังอินทรีย์เราไม่มากเมื่อไม่มากมันนั่งซึมนั่งถ้ายิ่งหลับตาก็เป็นนิวรสัญญานาสัญญาจะว่าหลับก็ไม่หลับสนิทแต่หลับตื่นตื่นแต่หับลำรำเรเรือ ง, องฟุ้งฟุงอะไรอยู่ในจิตจะว่าฝันบางทีก็ฝัน นั่งหลับไปหมายไปใหญ่เลยเรื่องนนเรื่องนี้ออกมาโอ้โหเมื่อกี้นี่มีนิมิตแน่ที่แท้ฝันนั่นแหละแห่เมื่อกี้มีนิมิตเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหไอ้นนไอ้นี่เลยทีดเดียวไปใหญ่เลยนะบางคนก็ฝันประเภทประเภทที่ไม่ไม่ไม่ไม่หลงรูปนักก็ไม่เคยมีนิมิตอะไรมากมายนะก็ล้ำลำเรื่องเรือเป็นอรูปเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนก็ถ้าตั้งสติดีก็จะรู้อรูปนั้นเป็นเรื่องปเป็นดาวมรนิมิต และก็เป็นอารูปนิมิตด้วยเหมือนรูปที่ชัดเจนเหมือนฝันนั่นแหละแต่อารูปนิมิตอารูปคือมันไม่เป็นเนื้อเป็นตัวแต่มันมีลักษณะที่จะแสดงให้เรารู้ได้เหมือนกันเป็นอารูปนิมิตก็ชัดเจนในอารูปนิมิตนั้นก็เป็นสิ่งแทนเท่านั้นเองทิ้งแล้ตีความเราว่ารู้ในอารูปนั้นไหมถ้ารู้ก็เป็นผลได้เหมือนกันถ้าตีความได้พิจารณาได้หรือแม่รูปนิมิตก็เหมือนกันถ้าเราตีความได้หรือว่ารู้ในเรื่องนั้นได้ก็มาตีความอีกที มันไม่ใช่ปัญญาที่เกิดทันทีไม่ใช่ น, นั้นจึงเรียกว่าไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาพิจารณาเหตุพิจารณาออกในเหตุในผลในตัวเรื่องนั้นราวนั้นตรงเป๊ ะ, เ, ปะเลยจะนั่งคิดเดี๋ยวนี้เองก็ตามอันนี้ลักษณะที่กระทาอยู่สําหรับกรรมวิธีมันไม่เหมือนกันนั่นนั้นอันนึง น, นั่งทําเอาะระลึกเอาอยู่ส่วนตนมีเททวานจิตอีกอันนึงใช้หมดเลยทุกทวาน ตาหูจมูกลิ้นกายมีพัรษาแล้วก็เป็นสุขวิปัสสโกเป็นวิปัสสกาบุคคลเดี๋ยวนี้เลยมีปัสนาเดี๋ยวนี้สติปัญญานเดี๋ยวนี้ตัดรู้เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นทางตรงเพราะกรรมวิธีใดผู้ใ ด, ดทําเด่นในทางก็ถือว่าวสุขวิปัสสะกาล้างลดได้พ้นทุกได้โดยวิธีตรงอันนแต่ถ้าใครเอ็นเอียงมาทําเตวิโชราลึกบุเพลนิวาสานุสติญานเห็นความเกิดขึ้นของโทสะความเกิดขึ้นของโลภะ ดับความเกิดขึ้นของโทสะได้ดับความเกิดขึ้นของโลภะได้ก็รู้ลักษณะของการเกิดการดับไม่ใช่เกิดดับอะไรอื่นอาการจิตลักษณะจิตรดชาติของจิตที่ไม่มีรดโลภะรดโทสะอย่างนั้นอย่างนั้นเราลงเราลดลงได้หรือไม่ได้เรารู้รู้ของเราแต่ธรรมวิธีแบบนี้ มันต่างกันอยู่เท่านั้นเองนะสองอย่างเท่านั้นเองสองลักษณะนี้เท่านั้นเองอ น, นับว่าเป็นผู้มีเพราะปัจจัยสูงนี่แหละถึงจะมาทําได้ระลึกระลึกเอาอาดีตทั้งหลายมาพิจารณาเกิดญาณเกิดปัญญารู้เห็นมีอธิปัญญาเกิดปัญญรียปัญญาพภะแล้วเกิดการปล่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็สามารถจะบรรลุทําได้เพราะสัจตินีศรัทธาพภะมีมากแล้วจริงๆ ผู้บรรลุได้โดยการใช้บุพเพนิวาสานุสติจนเกิดยานเกิดจตุปาปาตายานคือมีปัญญารู้ในเกิดดับมันเกิดแรงแล้วมันเบาลงได้เป็นละสกายะเจ้กระทั่งเหลืออัตตานุเจ้กระทั่งดับได้สนิทไม่เหลือแม้แต่เศษของอัตตาไม่ว่าอนุน้อยๆ น, นิ ด, นดแค่ไหนก็ไม่มีเศษเหลือก็รู้ได้ของเราเกิดยานเกิดปัญญารู้รู้ในวิมุตติยานทัศนะ คือมีญาณทัศนะในการรู้วิมุตต์จริงตอนนี้วิมุตต์แล้วหลุดพ้นแล้วปล่อยวางหมดเรื่องน้โรดก็ตามแต่เรื่องนิโรธเรื่อวิมุตต์อะไรก็ตามเกิดจุตูปปาตญาณเห็นแจ้งในจุติและอุบัติอย่างชัดคือได้เห็นแจ้งในจิตที่มันเคลื่อนเป็นรสชาติเป็นเรื่องเป็นราวอยู่กับจิตที่มันไม่มีแล้วมันเกิดการรู้เกิดการคลายการเคลื่อนนี้การ ดับไปการจางไปการหมดไปมันรู้จริงรู้จริงมีจริงในตนมันรู้จริงแล้วก็มีจริงในตนด้วยเข้าใจชัดเราจะสมมติเอาว่าเรามีนั่นไม่ได้เรามีหรือไม่มีเราจะรู้ของเราและละเอียดละออถึงระดับอาสวะเรามีหรือไม่มีเราจะรู้ของเราและละเอียดละออถึงระดับอาสวะละเอียดละออถึงระดับอาสวะเป็นอาสวะขยายาน จบครบถ้วนเป็นพระอรหันต์ได้เยี่ยงนี้จึงแยกเรียกเสียว่าเตพิชกบุคคลหรือพระอรหันต์แบบเตวิโชเหตุที่ต้องเรียกเช่นนั้นก็เพราะมีกรรมวิธีชี้เน้นรายละเอียดแห่งบทปฏิบัติต่างกันอยู่ในไยะกล่าวคือเตวิโชนั้นใช้ปัจจุบันธรรมก่อผัสะจับสังขารธรรมมีความเป็นอยู่รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในประพฤตตาม ชีวิตเป็นอยู่ปกติธรรมดาทุกอิริยบทน้อยไปแต่วิชโยได้ปฏิบัติแบบรู้เรารู้รู้ถึงเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรต่างๆเป็นปกติประพฤติธรรมดาของมนุษย์ทุกอิริยบทเนี่ยน้อยไปแต่ไป ม, มีอิรยิยาบถปรีต้นอยู่พิจารณาตรวจจิตละเอียดด้วยการทบทวนการระลึกย้อนของเก่าซึ่งเป็นส่วนมากกว่าการรับสัมผัสจับสังขารธรรมโดยอาศัยปัจจุบันนั้นๆเท่านั้นเอง มันต่างกันอยู่ท่านี้เองถ้าผู้มีอินทรีย์พละสูงก็บรรลุได้เร็วจริงๆถ้าผู้มีอินทรีย์พละต่ำก็จะไม่มีทางบรรลุได้ง่ายๆเลยถ้าผู้มีอินทรีย์พละต่ำก็จะมีไม่มีทางบรรลุได้ง่ายๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามสติปัฏฐานหรือการปฏิบัติธรรมอันเป็นทางเอกทางใหญ่ทางตรงของพุทธศาสนานั้นก็คือให้เกิดบทปฏิบัติทุกเริยนบทมีวิปัสสนาทุกขณะทุกเวลานั่นแหละดีที่สุด จงรู้จุดดีที่สุดหรือทางเอกที่สุดหรือว่าอันที่จริงที่สุดจะเข้าใจได้ว่าสุขวิปัสะโณนี่ของพระพระุทธเจ้าแท้คือมีวิปัสสนารวมด้วยเพราะงั้นแม้แต่อยู่ปลีกเล่นมาทําเตวิโชเนี่ยเอาวิปัสสนาโดยวิธีบุเพนิวาสานุสติเนี่ยก็มีการวิเคราะห์มีธรทำวิจัยใช้สติใช้ธรรมวิจยะ ม, มีวิริยะภาคเพียรธรรมเหมือนกันแล้วก็รู้เทียบเคียงจิตถึงจิตเหมือนกันจึงเรียกว่าอนามิปัสสนาโดยทางที่เราว่าไม่ใช่ภาษาปัจจุบัน มีฤทธิ์แรงรองมีความเป็นจริงรองเป็นสมมุติสิจักรองสมมุติกว่าสมมุติที่แม้ที่ว่าเราปัจจุบันทำเราสัมผัสเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องสมมติสจิจักรทางนั้นเห็นจริงมีจริงอะไรจริงเป็นปัจจุบันนี้เราว่าจริงที่สุดเพราะปัจจุบันเดี๋ยวนี้จับอยู่เดี๋ยวนี้นี่กระดาษนี่จับอยู่เดี๋ยวนี้จริงจริงเพราะจับอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้จําได้ว่าจับกระดาษเมื่อกี้นี้ในว่างมาหามาแค่นี้เอง มันก็จริงผิดการเมื่อกี้นี่จับจริงกว่าก็มันจับอยู่ในนี่เลยจับจริงจริงนี่เมื่อกี้จับกระดาษนี่เพียงแต่วินาทีที่ผ่ามาเดี๋ยวนี้มันจริงที่ไหนละเมื่อกี้มันจริงกว่าเมื่อกี้มันจับอยู่ท้นโท้อไอ้มันลาเวนมาแล้วนี่ช่วงขณะหนึ่งเนี่ยวินาทีหนึ่งสองวินาทีก็ตามเมื่อกี้นี่จําได้ว่าจับกระดาษเมื่อกี้นี้นี่มันสมมุติที่มันสมมุติยิ่งกว่ากันไอ้ที่บอกว่าเมื่อกี้นี้นี่จับกระดาษอยู่นั่นมันสมมุติกว่า นี่จับกระดาษนี่จับกระดาษเนี่ยพอวางปั๊บนี่ยเมื่อกี้นี่จับกระดาษเมื่อกี้นี่มันจริงกว่าพยายามเข้าใจจริงนะสมมุติมันสมมติกว่ากันเมื่อกี้นี่ก็ว่าสมมติ น, นี่ถ้ามสมมติสัจจะนี่ก็สมมติสมมุติคือความที่ไม่ยึดเป็นดาวเป็นเขามันเป็นอาการกรรมของธ า, าตุดินน้ำไฟลมอาการธาตุวิญญาณธาตุก็ทํางานนั่นอยู่เท่านั้นเอง เป็นปัจจุบันธรทำเท่านั้นเองเป็นสมมติที่สัจจะถ้าเราไปยึดว่านี่จริงนักเกินจริง น, นเกินแม้ผ่านมาแล้วก็ยังจริงอยู่ยังจะเป็นอะไรอะไรอยู่จําได้เราจับกระดาษนี่เป็นจริงและเกิดแล้วเป็นแล้วแล้วก็จะมีอยู่ตลอดนิรันดร์การอย่างในเทียงแต่จําได้อยู่และยึดบ อ, อกว่าโอ้ย น, นี่น่าได้นะมีน่เป็นมีแรงนี้โน้มเข้าไปจะต้องเป็นอันนี้ได้อีกจะต้องติดอย่างนี้จะต้องเอาอย่างนี้ให้ได้อีกจิตนั้นมันก็ผูกพันแล้วมันก็จะมีจริงอยู่ มีที่มันจิตนั้นไม่ปล่อยคลายมันจะกลับมามันเป็นเนื้อเป็นตัวมันจะก่อวอดให้ได้มีเหตุปัจจัยอีกเมื่อใดมันได้โอกาสปั๊บมันไม่อยู่เอาแล้วมันไม่ละเว้นแหละใจยิ่งต้องการแรงเท่าไหรมันยิ่งจะเอายิงเท่านั้นถ้าใจมันไม่ต้องการแรงนักมันก็อาจจะบังโอกาสช่วยเอาบังโอกาสไม่เอาก็ได้แต่ถ้าใจยังมีมากอยู่เท่าใดแล้วก็ไม่ได้แล้วมันละโอกาสอะไรไม่ดีกว่ามันจะเอาอันนี้ก่อน อะไรที่มันเด่นที่สุป็กิเลสราคะแรงก่อนมันจะเอาก่อนถ้าได้ช่องเมื่อไหร่มีเหตุปัจจัยขึ้นมาเมื่อไหร่ปักมันไม่ไมละเว้นเพราะฉะนั้นจิตจริงอย่างนั้นมันมีจริงจิตที่มันยึดเหนี่ยวอย่างนั้นมีจริงมันหลงจิตอุปทานยึดเอายังมีจริงมันจึงยังเกิดอยู่จริงเวียนตายเวียนเกิดจริงถ้าเราไม่แล้วอยากจับกระดาษนี้ไม่อยาก อยากได้รูปนั้นไม่อยากอยากได้รถนั้นไม่อยากแล้วจริงๆใจเราต้องเด็ดขาดต้องตรวจสอบมันแน่ยังมีน้อยยังมีกลางยังหยาบแหมแรงอยู่โอโ้โ h ขนาดที่ไม่ผัดซักไปยังใจวิ่งเข้าหาคิดระลึกอยู่เพ้อไม่ได้ใจไปแล้วอุป ป, ปาติกะเกิดจิตในจิตโผล่ไปหาแล้วไม่ใช่โผล่ไปหาหรอกมันก็อยู่ในจิตนี่แหละเรื่องนั้นขึ้นมาทีจิตแล้ว เราใช้จำนวนพูดเรามันโผล่ไปหามันไม่จะโผล่ไปหาเรามันเอามานสร้างขึ้นดิจิตมันยังติดอยู่มันจะต้องมีให้ได้ในตรวจแล้วตรวจเราพยายามทําให้ดีถ้าขนาดนี้ทีอธิบายทั้งลักษณะการกระทําการประพฤติมารวิธีต่างๆสอดแทรกไปในที่จริงนี่อธิบายได้แค่ลักษณะของสุกัวิปัสสโกกับเตวิโชเท่านั้นซึ่งจะจบไปนานแล้วล่ะถ้าจะอธิบายลักษณะมันมันต่างกันยุทธกรรมวิธีกระทาคนนึงทำอยู่ที่ ผัสสะปัจจุบันอีกคนหนึ่งะระลึกเอาอยู่ในคนเดียวเอาแต่ทวารกิจมันต่างกันอยู่เท่านั้นเองเพราะใครทําอย่างใดมากก็นี้เรียกว่าิเตวิโชหรือสุขวิปัสสโกเทราะนั้นเองเพระอาจารย์ปดได้บรรลุด้วยกรรมวิธีต่างกันท่ า, านพระพุทธเจ้าในบรรลุ ด, ด้วยเตวิโชเวลาท่านสอนมนุษย์ท่านไม่สอนเตวิโชเป็นเอกท่านสอนสุขวิปัสสโกอย่างที่อธิบายฟังแล้ว คนจะเข้าไปหาอะไรจุดหนึ่งไปหาบอ่อพลอยอยู่ในป่าต่างคนต่างไม่มีใครรู้เลยมันก็ต้องคนงนั้นพระพุทธเจ้ากับคนท่านได้อ๋อท่านได้ทางโค้งน้อยที่สุดคือเตวิโชเนี่ยเพราะแตาเมื่อกีอ้สีพระทําทอะไรอื่นๆมาเยอะแล้วตัดกิเลสตามปัจจุบันมีทางก็ทําทมาเยอะจนกระทั่งจะปล่อยคลายแได้ง่ายยังไม่มีแล้วแรงพวกนั้นไม่มีแรงทางโลกๆ ม, มันมีมีถ้าก็นั่งแล้วลึกไปพวกนี้ทำย้อนท่านไปเจอป่าไปเข้าป่ า, ปปาไปเจอจุดนั้น มันก็โค้งหน่อยหนึ่งแล้วเรื่องอะไรถ้าจะมาสอนคนในทางที่โค้งหน่อยหนึ่งที่ท่านต้องเดินอยู่ด้วยความไม่รู้นี่ถ้าไปตัดต่างที่ตรงที่สุดวัดเข็มทิศเลยตัดเป้าเลยเปรงแล้วถ้าก็มาสอนคนอื่นด้วยทางที่ท่านตัดตรงเป่งนี่เรื่องอะไรถ้าจะมาสอนทางโค้งที่ท่านไปเผลอเอยู่นิดหนึ่งอ่ะทุกคนนะี่ยพระรูเจ้าก็ฉันเดียวกันท่านรู้ทางนี้เข้าไปเจอจุดแล้วแต่มันได้หลงเป็นเอี้ยวไปนิดหนึง่ง เราก็หาทางตรงที่สุดที่จะออกมาหรือทําทางตรงที่สุดให้แก่จุดปลายจุดต้นที่จะควรทําพราะาำได้แล้วเรื่องอะไรเราจะมาสอนทางโคง้งพระพุทธเจ้าบรรลุเตวิชโชแต่สอนสุขวิปัสสโกเพราะอะไรเพราะโลกเขาหลงจะนั่งหลับตาและนั่งคิดอยู่ในที่เงียบที่ดับเดรทีเนี่ยแล้วเขาไปติดเขาไปติดดับติดหลับแล้วทำวิปัสวิปัสสนาใน อยู่คนเดียวไม่ได้นิพพานาโดยการนรกบุพพนิวาสานุสติยานก็ผลงผิดโดยเปนั่งไม่ใช่บุพพนิวาสานุสติยานดังกล่าวนี้แต่เป็นบุพพนิวาสานุสติยานนรกวักแต่ก่อนที่เกิดเป็นลิงเป็นหมาเป็นกวางเป็นเก้งหรือว่ามาเป็นเศรษฐีเป็นกยาจกเป็นอะไรแล้วก็นั่งหลับตานึกเป็นตัวบุคคลตัวตนไปมากที่สุดมันเป็นนิเกและเป็นนิยายเป็นนิทานจะเปิดจริงเป็นจริงก็ตาม ยากกว่าจะทําได้เพราะมันข้ามชาติยากมากมันข้ามขันนี้รูปนี้มันข้ามเวลาโอกาสเมือ่อเรารึกถึงเดือนที่แล้วยากกว่าหรือลึกถึงเรื่องเมื่อวานนี้นั่นแหละยิ่งปีที่แล้วยิ่งราลึกยากกว่าเมื่อวานนี้ถ้าเรื่องที่มีอํานาจจับใจเท่ากันนะมันจับใจเท่ากันเมื่อเดือนที่แล้วกับจับใจเท่ากันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันก็ระลึกได้เร็วกว่าชัดเจนกว่า เป็นจริงกว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นแล้วไปเรืลึกคามชาติไปเลยไปอีกไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติยากมากแล้วก็ลางเรือนจะยกโลภโทสามูลจิตในอไอเรื่องเหล่านั้นมาก็ยากแสนยากจะได้ต่รูปมาก่อนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีเรื่องเหล่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะไปจับจิตซ้อนรูปเรื่องจะไปจับจิตซ้อนเรื่องเหล่านั้นเหล่านั้นยากมาก เราะฉะนั้นทั้งยากด้วยและทั้งไม่ชัดอย่างนั้นด้วยก็ทําไมไม่ระลึกเหมือนกันแหละเราไม่ต้องเป็นกระยาจกเป็นคนรวยคนมีไม่ต้องเป็นคนจนก็เป็นเราที่เกิดมาชาตินี้จากท้องพอ่อท้องแม่แต่จะชั่วเกิดย้อนมาจถึ ง, งไล่ไประสิทธิ์ตะวันวานนี้วันสองวันที่แล้วสาวันที่แล้วเรื่องไั้นเด่นหรืออาทิตย์ที่แล้วเรื่องเด่นมันก็อาจจะขึ้นมาได้เดือนที่แล้วเรื่องนั้นเด่นก็ได้เอาพวกนี้นง่ายกว่าไปทํำอุเกนีวาสนุสติยานก็ไม่ใช่จะต้องไปยึดเอาแต่ แต่ที่นี้ลือสีไม่สอนกันอย่างนี้เหมือนกับที่นีพุทธศาสนาทุกวันนี้ไม่สอนอย่างนี้สอนบุพเพนิวาสนานุสติญาณเพิ่ไประลึกข้ามชาติที่แล้วนุนเกง่งเราไม่ว่าไม่เกง่งเก่งนะด้านผ่าไปรู้เรื่องชาติที่แล้วนนได้ไม่เก่งยังไงกันล่ะเกง่งไม่ว่าแต่มันประโยชน์น้อยเหลือเกินทั้งทำยากก็เอาประโยชน์ที่ชัดเจนเดี๋ยวนี้ทั้งทาง่ายกว่าไม่ดีหรือเป็น สุขาปฏิปทาขิปาพินยาเป็นการสุกทําได้สุกทําได้สบายแล้วแล้วก็เร็วขิปปาพินยาทําได้สบายง่ายสุขาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่ง่ายสบายขิปาพินยาเร็วด้วยเร็วด้วยทําไมไม่เอาอย่างนี้เพราะงะั้นปฏิปทาใดที่ได้เร็วด้วยง่ายด้วย สบายด้วยอันนี้เป็นทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุขขาปฏิปทาขิ ป, ปาพิญญานี่ละ่ะสุขวิปัสสโกไม่ใช่ทันทาขิปาขิ ป, ปาพิญญาแล้วยังแถมทันทาพิญญาด้วยเป็นทุก ข, ขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาแล้วทันทาพิญญาด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะ ไม่ใช่แหมทั้งยากทั้งลําบากแล้วก็แถมช้าด้วยยังงั้นไม่ใช่ใ น, นยังงั้นแหละช้าแล้วลาบากด้วยนะเขาเข้าใจว่าเราปฏิบัติต่อเดี๋ยวนี้นี่มันมีบทปฏิบัติอาจจะฝืนอดทนต่อสู้แหมนี่มันอดกินอดใช้อดอะไรแต่เดี๋ยวนี้เขาว่าไอ้นี่เป็นทุกขาปฏิพัทาเขาว่าไม่ใช่นะการระลึกชาแบบที่คุณระลึกก็สิเป็นทุกขาปฏิพทา นั่งเพลงเพียรแล้วก็พยายามแยกรุ่กชากโนนในในนั่นสิเป็นทุกข์ขาปฏิปทาพยายามแยกแยะไอ้สุขขากับทุกขาตรงนี้ได้แต่เขาเข้าใจว่าทุกขาตรงที่เขาเออมันนั่งออกป่าออกถ้ำเดี๋ยวนี้มันนั่งระลึกชากระลึกแบบที่ว่าระลึกถึงเมื่อวานเมื่อไรหาที่เปี่ยวงนี้ฝื้นจากกามมาก็ยากเป็นการฝืนทนแล้วเป็นทุกข์ขาเขาว่างั้น เอาก็ได้แต่เป็นทุกขาปฏิปทาหรือเป็นทุกขาที่เป็นปัจจุบันธรรมอาจจะทุกสําหรับคนที่มีมากแต่ว่ามันเป็นปัจจุบันธรรมกว่ามันเป็นขีปนาพิญญายังไงยังไงก็เป็นขีปนาพิญญาสําหรับคนที่อินทรีย์พละไม่แรงไม่กลา้าก็จะทุกขาปฏิปทาแต่ขีปนาพิญญาได้เหมืกันได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอินทรพละมันตรงแท้แล้วถูกฐานเป็นอนาคามีเป็นอาาคาริกั บ, บุคคล ผกกขันทาปะหายะยาติวิปริวัด ต, ตังปะหายะเข้ามาอยู่ในที่เงียบที่สงัดที่เปลี่ยวอย่างนี้แล้วแล้วก็ทําโน่นที่ร้องฟังโนนที่ทําที่เขาแล้วก็มาพิจารณามันก็สุขขาปฏิปทากิปาปิญญาจริงๆลงต๊ะตรงกับกรรมฐานไม่เห็นประหลาดอะไรตรงกับกรรมฐานทีนี้เพืพ่อพูไปตรงกับกรรมฐานอีสีพละมันเป็นอนาคาริกะผกคัก ขันธาก็ยังปหายะไม่ได้ยังทําลายไม่ได้ยังตัดเบาไม่ได้ยาติปริวัตตังก็ยังยุ่งขิงอยู่เลยก็เอามาตรการอย่างนี้มาซัดมันปัจจุบันนี้เลยถ้าไปที่โน่นแล้วก็มันฟุ้งซ่านจิตมันไม่อยู่ห้อกมันวิ่งออกไปพิจารณาอะไรได้มันไม่อยู่มันก็ฟุ้งออกมาหาพอกขันธามาหากองพกรสับมาหาญาติโกโยติกามาหาสิ่งที่เราผูกเราพันอยู่มันจะเป็นพยาปาทะอยู่ยังมีอาล อาคาดโดซ้ําบางทียังมีอาลัยยังมีอารมอยังมียุ่งมาอยู่เนี้ยมันเด๋ไปนั่งพิจารณาอะไรได้นักหดาได้กระโจนแป๊บแป๊บป๊บปเดี๋ยวเผลอไปแล้วกลับไปยังเก่าแล้วแบบเป็นแบบอยู่งนั้นนะมันไม่ลงฐานมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ลงฐานแบบนี้เอานี่ก่อนสีละอบายละโลกธรรมหัดทานเข้าลาบยศเฉรนเซิญอะไรกินหัดเอาไอ้พวกนี้ก่อน การกินการใช้ลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆลงไปให้บางเบาจริงๆเกิดผลเป็นวิปัสสกะเป็นวิปัสสโกเห็นจริงเป็นจริงลดลาได้อย่างนี้จนฐานเข้าอนาคาริกะจริงจะเป็นพระทิ่เรียบร้อยตามขั้นตอนต้นกลางปลายจริงๆเลยแต่ทาไม่ได้มันก็ไม่ได้นันฝืนก็ฝืนมันจะเป็นทุกข์าทุกข์าปฏิปทามันลําบากแล้วมันช้าด้วยช้าแม้แต่มันเริ่มต้นจิตจะนั่ง ก็จะแวกสวะได้นี่าง น, นี้แล้วเมื่อเราันนั่งเอาจะเข้าชานอย่างนี้ก่อนแล้วก็ต้องค่อยจิตข้างในก่อจะตั้งสติเป็นสติแท้เต็มก่อจะทำวิจัยได้ลืมตาก็ไม่ได้ลืมตามดตาิ้หน่อยก็พิจารณาไม่ได้แล้วต้องเอาหลับตาอะไรอยาี้ยากเป็นทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏติปทาไม่คิดปาปัญญาเพราะมันไม่ชัดแม้สมมติสัจจะ ก, ก็อธิบายให้ฟังแล้วเป็นสมมุติรองไม่จะเป็นสัจจะ แท้เป็นสัจจรองเมื่อนในยกสมมติอีกนี่จับนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นปัจจุบันนี่จริงกว่าเป็นสมมติสัจจะที่จริงกว่าว่าเรากําลังจับกระดาษพอถอยออกมานิดหน่อยแล้วแบบเมื่อกี้นี้เราจับกระดาษก็เหมือนกันก็นไปนั่งระลึกเอาเนี่มันผิดแล้วสมมติสัจจะก็คละขนาดแล้วอันไหนจริงกักนเนี่ยมันก็จะได้ความจริงเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ชัดแท้กว่า นี่พยายามอธิบายสอนแจกแจงให้ลึกซึ้งข้าไปเนี่ยวนแล้ววนเล่าอยู่เนี่ยเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจละเห็นและ อ, ออชัดเจนเพราะงั้นทุกแม้เราจะทำแล้วทําถ้าเพราะว่าจริงแล้วเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทํามันทุกอย่างโอกาสไหนสุขวิปัสสโกผัสสะเดี๋ยวนี้ทํามันด้วยไม่มีเลยไม่มีผัสะแล้วนั่งอยู่คนเดียวว่างๆมันมีอะไรยกจิตขึ้นสู่วิปาาัสนาก็ทําสิถ้าต้องหลับตาทําถึงได้อยู่อย่างนี้จิตเริฟุ้งซ่านอยู่ก็พยายามตัด ลูกศิษ์พระพุทธเจ้าแท้ก็ไม่ว่างเว้นขณะทำทุกอย่างทำทุกทุกมุมแต่ทั้งย่างไรก็ตามสถิปปฏฐานหรือการปฏิบัติธรรมอันเป็นทางเอกทางใหญ่ทางตรงของพุทธศาสนานันก็คือให้เกิดบทปฏิบัติทุกเิียบทมีวิปัสสนาทุกขณะทุกเวลานั่นแหละดีที่สุดยืนเดินนั่งนอนมีการงานใดใดอยู่ก็เพียรรู้เท่าทานันปัสสะจากหูตาจมูกลิ้นกายใจตนทุกขณะพิจารณา แล้วปรับเปลี่ยนจิตตนให้เป็นมโนมยิทธิเป็นอิทธิวิธีให้ถึงให้ถึงวุฒฐานะให้ได้ทุกขั้นทุกตอนมากที่สุดเถิดและแม้จะอยู่คนเดียวตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีผัสสะอะไรพอจะเป็นทุกข์เป็นร้อนก็ระลึกอดีตวงเล็บบุเพนิวาสานุสติเรียนรู้ความเกิดความดับจุดตูปปาตะให้ซับซราเห็นจริงในปฏิจจสมุปบาท จนละคลายหนายชัดถึงอนัตตาทำให้ได้เถิดประโยชน์สูงสุดที่สุดไม่มีใดเทียมถ้าทำได้ครบทุกแบบทุกชนิดทุกอิริยบททุกขณะจิตและวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานก็ต้องมีทั้งสองแบบสอง น, ยนัยยะนี้จริงๆเป็นแต่ว่าใครจะทำแบบไหนจะมีบทปฏิบัตินัยยะไหนมากหรือบ่อยกว่ากันก็แล้วแต่บุคคลผู้เกิดผลผู้ไดเห็นแบบใดเจริญในธรรมดี ก็ทำแบบนั้นให้มากก็แล้วกันแต่ก็ต้องทําอยู่ทั้งสองแบบอยู่ดีเพราะวิปัสนาหรือสติปัฏฐานนั้นต้องมีให้ครบทุกเวลารู้ทุกปัจจจึงจะเจริญได้แท้และต้องเข้าใจฐานของบุคคลให้ดีโดยเฉพาะตัวเราเองว่าเรามีอินทรีย์พละอยู่ขั้นในขั้นในดระดับไหนและอยู่ในแง่ไหนมากต้องปรับเปลี่ยนไปทําในแง่ไหนอีก พอทำไอ้นี่แล้วแล้วเราก็อย่าไปซ้ำแซนเมื่อมั่นใจเด็ดเดียวแล้วแล้วก็เป็นสมุดเฉดแล้วแล้วก็สมุติเฉดนี่มันแปลว่าเด็ดเดียวหรือเด็ดขาดทั้งมันใจเด็ดเดียวเด็ดขาดแล้วอย่าไปซ้ําแส่อยู่อีกเสียเวลานอกจาเสียเวลาแล้วจะกลายเป็นติดเข้าไปอีกเลยแช่เข้าไปอีจุดนั้นอีกเลยมันจะเสียตรงนั้นอีกมันเลยเถิดนะเพราะงั้นถ้าบอกว่าแน่ใจแล้วก็ต้องรู้ในการที่จะปรับจะเปลี่ยน จะ ต, ต้องปรับต้องเปลี่ยนทําในแง่ไหนอีกพระพุทธเจ้าทรงสอนพระษาวกองใดที่มีฐานถึงการอนาคามีดังกล่าวนี้พระองค์ก็จะชี้บอกให้ว่าโน่นในโคนไม้โน่นในล้อมฟางโน่นในศูนยาคาโน่นในที่สงัดจงไปเถิดไปนั่งยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาทบทวนย้อนอระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาและจงพิจารณาให้เข้าใจแจ้งทั้งรมให้ได้ด้วยในความเกิดความดับ ถ้าเขาจะสอนพระอนาคามีอธิบายเป็นภาษาไทยจะชัดอย่างนี้แต่ในบาลีเขาก็มีมาเนี่ยไปนั่นนงสติดํารงดำรงสติคงมั่นโดยการคู่บรลลังและก็บุพเพติวาสานุสติจตูปปาตญาให้เกิดอสวรคขยะยานถ้าก็อธิบายเป็นภาษาบาลีเข hm, ้มๆค น, คนๆอยู่ในแค่อย่างนั้นมีผมก็มากระจายเป็นภาษาไทยให้เข้าใจงา่ายไปก็ทําวิปัสสนานั่นแหละเป็นเอไกยนามโคเนั่นแหละ แต่อภิปักษนาโดยที่เรามีข้อมูลมีสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำได้ในขณะที่เราอยู่คนเดียว mm hmm. ก็ทำสิ mm hmm. ไม่เป็นไร mm hmm. ถ้าฐานอนาคามีแท้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก mm hmm. จะได้แน่ใจจะได้เข้าใจยิ่งๆิ่งขึ้นจนญาณเกิดขึ้นเต็มรอบ mm hmm. เจโตก็จะวิมุติคลอยลงไปที่สุดได้ เมื่อยาหรือปัญญาเกิดขึ้นเต็มรอบเห็นชัดจริงๆแลเจโตมันจะวิมุตพลอยจริงๆมันปลอยมันหลุดปล่อยโอ้มันแน่ใจจริงๆเมื่อพิจารณาทำจริงแล้วมันจะโอ้แมมันชัดมันจะคล้ายๆกับมันวิสังขาน่ะมันจะปรุงมาเห็นจนโอ้้มันชัดใสขึ้นมาเองถ้าเรื่องใดที่ยิ่งข้องใจมาก เรื่องนั้นได้รู้แจ้งอันนี้ออกมาแล้วมันยิ่งโอ้สสว่างโปร่งมันอใน ไ, ได้รู้ดีแล้วมันมขั้นที่เรียกว่ายินดีมีปิติตื่นเต้นในซ้าไปอ่ามันจะออกมาอย่างนั้นวงเล็บจะหลับตาระดึกหรือลืมตาระดึกก็ได้อ่าจะหลับตารดึกลืมตาระดึกก็ได้อย่าหลงเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนทรงสอนคนให้เป็นนั่งโคนไม้นั่งในที่สงัดเข้าป่าทันทีกันทุกคนเป็นอันขาด ยังไปเข้าใจว่าอย่างนั้นผู้ใดถ้าผู้ใดพระอินทรีย์ยังไม่เข้าร่องเข้ารอยยังไม่มีฐานยังไม่มีขั้นโดยจริงต่อให้ไปนั่งหลับตาหัดและลึกชาให้เก่งเยี่ยมปานใดก็จะได้แต่เดราชาัชานิชาเท่านั้นจริงๆแล้วก็จะพาหลงผิดเอาเดรัชานิชานั้นๆว่าเป็นมรรคผลนึกว่าตนบรรลุพุทธธรรมวงเล็เพราะเพียงได้แค่บุเพนิวาสานุสติกยานหรือได้แค่จตุปปาตยานชนิดยังไม่บริบูรณ์พร้อม จะดีดที่เลยว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันระลึกได้แต่รูปมันไม่ได้รึได้รู้ลูบรู้นามเป็นนิพัสนามันระลึกได้แต่รูปแต่มันก็หลงแต่รูปมันไม่เป็นรูปนามเป็นนิพพัสนาอย่างที่ว่าอจะอย่างที่อธิบายหรอกมันได้ไปวิเคราะห์ซ้อนออกไปถึงจิตในจิตเป็นเจตวปริยาญานรู้โลภมูลรู้โทสะมูลรู้มหาคตจิตรู้สังคิตะทุรวิกิตะอะไรมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้ระดับจิตอย่างนั้นหรอก จึงเรียกว่ามันได้แต่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ครบพร้อมบริบูรณ์อาจจะรื้อได้รูปเป็นรูปให้จริงด้วยแล้วลึกชาติก่อนก็ตามหรือแล้วลึกชาติเมื่อวานก็ตามแล้วมันก็ได้แต่รูปมันก็ยังไม่ถึงผลเพราะฉะนั้นอา จ, าจะเป็นยึดเกาะไอ้นี่ยิ่งเป็นึกรูปแล้วลึก ร, รูปว่าเป็นรูปประทับเป็นเรื่องเป็นดาวชาติแต่ปางก่อนไม่ใช่ขันนี้มันยิ่งเป็นนิเกยใหญ่เลยในคนพวกนี้ก็เลยเอาอ น, นั้นเป็นเดรัจฉานวิชาเก่ง นังล้ลึกแล้วลึกอีกแล้วก็มาโม้สู่เขาฟังเก do e e ี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ก็มาเล่าเป็นนิทานสู่เขาฟังอะไรแต่อะไรต่างๆนานาอยู่แค่นั้นเองเป็นนักประวัติศาสตร์ถ้าจะยกให้ก็เป็นนักประวัติศาสตร์มีเครื่องมือในการที่จะค้นหาประวัติแล้วลึกไปก็เก่งเก่งเดียวนะมันฟังดีๆนะผมไม่ได้ไปแดกดันด้วยนะไม่ได้ไปแดกดันเยอะเยอยอะอะไรด้วยนะคือเก่งจริงๆแต่ว่ามันไม่เข้าท่ามันไม่มีนามรูป นิปัตนาต้องรู้ทั้งรูปแล้วมีนามสอนรู้นามเป็นเจโตปริย า, ยานรู้นามรู้จิตที่มันไปร่วมกับอันนั้นมีโลภะมูมีโทสะมูมีอะไรจนกระทั่งไล่ถึงลิมุดเนี่ยก็มีเจโตปริย า, ยานอย่างนั้นมันจึงจะทำได้ผลถ้าไม่ได้แล้วก็เท่านั้นแหละจะเป็นการหลงด้วยซ้ําไปว่าตัวได้พุทธธรรมเช่นนี้มีพุทธธรรมมีลักษณะเช่นนี้ว่างั้นตัวระลึกชาติได้เป็นเตวิชโชแล้วอะไร ก็มีกันมากมาจริงๆในผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้บวชเข้ามาในศาสนาพุทธไปลงเอาอันนี้ว่าเป็นพุทธธรรมได้อยู่แค่ขั้นได้รูปได้รูปได้เรื่องแต่ไม่มีเจโตเข้าไปร่วมไม่มีเจโตปริยานไม่รู้กิเลสตํหาหนาเข้าไปร่วมและไม่รู้การได้เบาคลายละสกายติฐิหรือพลสกายติฐิหรือยังก็ไม่รู้ละอัตานุพอัตานุทิฐิแล้วหรือยังก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะยังมิชาติฐิอยู่ไปยึดได้แต่แค่รูป แม้แต่อานาปานสติที่หมายเอาการนั่งหลับตาเพ่งลมหายใจเป็นกระสินเดี๋ยวนี้เขาก็หมายกันหมายกันแยกไปคนละเหลี่ยมคนละเหลี่ยมกันอานาไปหมายถึงตัวนนเนรหมายถึงคาสั่งอานานหนูก็หมายถึงขอบเขตขอบเขต ดวงแวดวงเรียกว่าอาณาบริเวณหรือาณาบริเวณอะไร่าเี๋ยวเราใช้ทับศัพท์ว่าอาณาบริเวณภาษาไทยอาณาบริเวณภาษาไทยอาณาบริเวณก็ใช้นอนนอนเนนนอนเนนเลยนั่นแหละกลับกันหมดแล้วที่จริงมันแปลว่าคาสั่งแต่ในบาลีอาณานหนูแปลว่าขอบเขต ที่ใช้ในภาษาไทยอาณานเน น, น, นี่ก็ใช้ในความหมายคำว่าขอบเขต น, น, นั่นแหละมันก็เป็นหนึ่งงื่นไขทีนี้อานาตนนอหนูรู้มันไม่มีในภาษาไทยอานาหรืออ่านตัวเนี้ยออสะอาน อ, อ่านเนี่ยเป็นในภาษาไทยมาคำว่าอะไรมาคําว่านานยืดยาวเหรอก็คือวัดระรยะนั่นคือขอบเขตสาระที่นักทึสมันสแสดง อ่นไอ้อย่างที่คุณว่าในแสดงอานอานนี่มั น, ปนแปลว่ายืดยาวเขาเขตเหมือนกันอาจจะบอกว่าวัระยะเหมือนกันแต่มันเพี้ยนจากวัระยะโดยการที่ว่ามีขอบเขตเป็นวงกลมหรือเป็นขนาดกว้างยาวหมดทุกด้านมันอาจจะเอาด้านเดียวได้เท่านั้นเองว่าด้านยาวไปนานไปมากไปไอ้ความยาวความมากความนานนี่แหละเขาเลยว่าอ่านมันเป็นแสดงอ่านว่ามันมีความรู้สึกว่าแมแย่เลยเนี่ย หนักมากนานมากแย่มากทนมากทั้งระยะยาวทั้งน้ำหนักเต็มเขาเลยเอามาเอาคำว่าอ่านคานี้มาใช้อันนี้ให้มีความหมายเน้นไปอีกว่าทั้งมีเวลายาวนานทั้งน้ําหนักก็เต็มด้วยน้ำหนักก็มากด้วยเขามาเพิ่มที่จริงมันอธิบายขอบเขตเท่านั้นเองอ่าน น, านี่อ่านนะตัวเนี้ยอ่านนี่ก็เอานน พยายามเข้าใจความหมายของมันจริงๆริงให้ได้แล้วก็เราก็ไม่ยึดมัน่นเขาจะเอาความหมายอะไรเราพยายามกำหนดหมายตามเขาให้ได้กันแล้วกันเราไม่สงสัยอะไรนี่เหมือนพูดกับพวกพิษหวานนี่เราเราเข้าใจเข้าใจจริงจรินะไม่ใช่แกลพูดเราบอกว่าไม่เป็นได้ตกลงอ่าได้อะไรก็ได้อะไรกตกลงหมดเขาเลยไม่รู้จะไปยังไงเขาอธิบายให้เราฟังอ่ะอะไรเราก็ตกลงอะไรก็ตกลงไม่ขัดสักอย่างไม่ชอบเลยต้องขัดสิต้องแย้งสิต้องเถียงสิ เอ๊ะจะเอาให้เราเทียงเขาอยู่นั่นนะอะไรท่านก็นบอกว่าตกลงไม่มีปัญหาตกได้อะไรก็อย่างงี้เขาไม่ชอบไม่ชอบตอ น, น, นตกลงง่ายเอ๊ะจำก้นเหมือนกันนะทําไมอย่งงางนั้นเมื่าเนี่ยผู้กับพาะคิดนะ่ะเขาจะเอาเอาดังแง่ของเขาแล้วก็ตกลงแล้วแม้จะบอกว่าให้เราเป็นคิดแล้วก็บอกเป็นแล้วอไม่เป็นอาจจะต้องถอดเสื้อด้วยอีกต้องถอดผ้านุ่งนีออกอีกก็คุณพูดก่อนแล้วว่าทําไมไม่ทําใจให้สบาย ทำใจให้แต่งอะไรก็ได้อย่างทาใจใหม้มองทุกอย่างแต่งอะไรก็ได้อ่าเขามาพร่เผยแพร า, พร า, พราพนี้เขามีแรงนะเขาจะทำก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าเราไม่ยึดถืออะไรจุดไหนดีจงทำคุณเองคุณยึดอย่างนี้อาตมาอนุโมทนาบอกว่ายินดีด้วยคุณพยายามศึกษาคำพีของพระพุทธศา ส, สดา มุมไหนเดีไหนที่คุณยังไม่ดีทําทำํำก็ไปเถอะให้มันสูงสุดเท่าที่ได้คุณตรวจเช็คแล้วว่าคุณทําได้มากเท่าใดเท่าใดเอาเลยถ้าได้หมดแล้วมาคุยกันอีกอทีอทําตามพระคำพีของพระคิดแล้วตรงทําได้หมดแล้วด้วยนะคุณทําได้หมดยังยังก็นั่นสี่คุณทําเถอะอาตมาก็พิเป็นคลิกกับคุณด้วยไม่เป็นไรอาตมาก็เป็นคลิกกับคุณด้วยเทพบเยซุพิธบอกให้ทำให้ทําใจอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทําไม่ได้อย่างนั้นนะอาตมาทําทําแล้วแล้วได้มากแล้วด้วย ไม่เข้าใจนึ่งว่าเราแกล้งพูดเอาใจเขาบอกว่าไม่ได้พูดเอาเอาใจคุณนะไม่ได้แกล้งเลยนะพูดโดยใจจริงไม่ได้เล่นลิ้นด้วยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้จะทำยังไยยง อล้วพระเยซูพอถึงพระเจ้าก็จะบอกบอกว่าอาตมาถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าคุณคุณเป็นน่ะอาตมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าคุณแล้วโดยอาตมาถึงแล้วอาตมารู้จักพระเจ้าดีไม่สงสัยเลยเนี่ยอาตมาไม่ได้เอาพูดเอาใจไม่ได้พูดแกล้งพูดด้วยเข้าใจจริงๆริงเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเชื่อเพราะอาตมาเข้าใจพระเจ้าดีเพราะอาตมารู้พระเจ้าเห็นพระเจ้าอยู่และอาตมาอยู่กับพระเจ้าอยู่ แต่เขาสิไม่เข้าใจคำว่าอยู่กับพระเจ้าเขาเอาพระเจ้าไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่จะมนุษย์ไปถึงไม่ได้คุณกี่กั้นของคุณเองคุณไปกี่กั้นว่าคุณเป็นมนุษย์ถึงไม่ได้คุณแบ่งคุณเป็นมนุษย์คุณไม่ทำตัวคุณเป็นพระเจ้าคุณไม่ถึงเราก็บอกบอกคุณยังไม่ถึงพระเจ้าก็คุณแบ่งตัวคุณแล้วคุณแบ่งตัวคุณแล้วว่าตัวคุณเข้าไปสู่เป็นพระเจ้าไม่ได้แต่คุณจะทา ให้เข้าไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าคุณแบ่งตัวคุณแล้วว่าจะไปเป็นพระเจ้าหรือจะไปเข้าไปอยู่กับพระเจ้าไม่ได้<ม>แล้วคุณจะไปได้ยังไงไม่เข้าใจแล้วเข้าไปคิดอยู่ว่าเป็นไม่ได้พระเจ้าสูงสุดใช่แล้วคุณก็จะเข้าไปเป็นอันเดียวกันกันกบพระเจ้าตามคําสอนเ<ม>ปปไม่ไม่ไม่รู้<ม>นี่แหละแบบเดียวกันศาสนาพุทธตายแล้วถึงจะนิพพานอันเดียวกันเลย เมื่อกี่กั้นกันไว้แล้วว่าจะนิพพานเดี่ยนี้ไม่ได้ตายแล้วถึงจะนิพพานเลยไม่มีทางในรู้นิพพานเพราะไปตายเสก่อนนี่แหละแบบเดียวกับศาสนาพุทธตายแล้วถึงจะนิพพานอันเดียวกันเลยเมื่อกี่กั้นกันไว้แล้วว่าจะนิพพานเดี่ยนี้ไม่ได้ตายแล้วถึงจะนิพพานเลยไม่มีทางในรู้นิพพานเพราะไปตายเสก่อนแล้วจะเอารู้ตรงไหนมาเป็นนิพพานล่ะอาจารย์ก็ไปสอนกันตอนตายไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอริยะสาวกต่างคนต่างไปตามกรรมของใครของมัน เจง๊งตรงนี้เจง้จงเจ๊งอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าพวกนี้โบราณเนี่ยเดี๋ยวนี้คิดว่าตายแล้วถึงจะเป็นเป็นนิพพานนึกวินิพพานเป็นต่อเมื่อตายแล้วทีนี้พวกทางด้านหัวสมัยพวกทางด้านพวกนี้ศึกษ า, ายพุทธทาสพุท ธ, ธาทาสมาก็ไม่ได้ก็เอานิพพานเดี๋ยวนี้สิเรียนรู้นิพพานเดี๋ยวนี้สิแต่พวกเราก็เอาให้เดีย น, นนิพพานอันนี้ไอ้ตายแล้วเนี่ยมัน มันไม่ได้ยังไม่นั่งคิดอย่างนั้นถ้าเป็นแล้วเป็นนิพพานตายแล้วไม่ต้องคิดมันเป็นผลตามถ้าเป็นไม่เป็นนิพพานตายแล้วมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงไม่มีนิพพานตะหลังตาย <lem par> แล้วจุนี้เลอกไปจนกราทั่งไปอธิบายนิพพานหลังตายอยู่อีกมีเยอะหลายอาจารย์นิพพานแล้วเปพูดอนาคามีแล้วแล้วก็ไปเป็นปนิพพานตนน้นตอนนาคามีแล้วเราบอกไม่กลับเราไม่ต้องไปเอามาได้อธิบาย อาาคามีจริงจิตเป็นอาาคามีแล้วไปแต่ตายแล้วเรามันก็ไปกลับไม่ต้องอธิบายในจารีภานี่มรรคฐานหัวท่นานอะไรเรามันไม่มีทางสอนได้ไม่มีทางสอนได้เหมือนพระพุทธเจ้าเปลงว่าอุทกกดาบทกับอารานดาบทจึงงตันเห็นว่าจิตสูงแล้วเป็นอนณาคาริกะนะจิตละเอียดเป็นอนณาคาริกะแล้วสามารถอยู่สงบไปแก่อันนี้นิดเดียวเท่านั้นเอง ท่านก็บอกว่าหวานจะเป็นพระอรหันต์ตายท่านเลึกตอนแรกท่านก็จะไปสอนพอลึกอีกทีหนึ่งย้อนใช้ยานดูอีกทีลายตายแล้ววะ่ะชิบหายใหญ่เลยถ้าจะไปสอนยังไงได้เราก็ตายแล้วอ่ะเป็นอนาคามียจิตที่มันเป็นจิตของท่านตามกลางของท่านที่ไปมีอุปทานยึดเกาะที่ยังไม่ละลายอะไรอยู่มันก็อยู่อย่างไงแล้วท่านจะไปสอนได้ยังไงท่านถึงบอกว่าชิบหายใหญ่เลยช่วยไม่ได้ได้เท่านั้นองนี้ ไม่เป็นพระอาหารหันแล้วได้สิ่งนี้มาช่วยไม่ได้ทีนี้ตัวเองก็ไปอยู่นานอยู่ช้าอะไรก็ตามพูงตัวเองที่เกาะไว้นานมันก็ละลายนานช่วยไม่ได้แต่ถ้าก็เป็นอนาคามีนะไม่กลับแต่ว่ามันไปช่วยตรงนี้นนนก็เมื่อคนมาเกิดแล้วเกิดเล่าไปรู้กี่ชาตินี่ก็มีภาษาอยู่อย่างนี้ไอ้นั้นไม่ภาษาหรอกก็มีนี่แหละลีลีทึบๆอยู่เงี้ยแล้วมันก็อะไรก็แตบแต่ละตัวเกาะตัวก็น่ะอนาคาริกะได้ ไม่มีสมาธิถี่ตัวนี้นี่แหละเนี่ยมันมันซ้อนกันอยู่อ่ามันซ้อนตรงนี้อ่ะมันซ้อนพยายามฟังให้ดีมันเป็นอนาคามีเป็นแกนแต่เศษเสี่ยวพวกนี้ไม่รู้ไม่ร่วมส่วนอ่าด้านจิตเส้นสิบหายใหญ่ทีนี้พระปุริจ่าท่านอุดทานท่านก็คือบอกว่ามันสอนไม่ได้ถ้าอนาคามีจริงเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่กลับล่ะแล้วสอนก็ไม่ได้ แต่ถ้าไม่ใช่อนาคามีจริงมีเชื่ออย่างที่ว่ามีรูปราคะอรูปราคะก็ได้บางอันบางอย่างและเชื่ออันนี้ถ้าเผื่อว่ามันแรงมันสะสมกับเขามามันโนมามันก็กลับเอาอะไรมาวัดไม่ได้เลยไม่รู้กี่กับกี่กันและมันจะเวียนมาอีกได้เหมือนกันเพราะถั่บอกไว้ใจไม่ได้เลยไว้ใจไม่ได้เลยต้องเอาปัจจุบันนี้มันบริบูรณ์เดี๋ยวนี้ไม่เอาลงไปไว้ใจอะไรอื่นพวกนี้ไม่ไว้ใจทางนั้นน่ะศาสนาพุทธเราเอาแน่นอนอย่างนี้เอาชัดเด่นอย่างนี้เลยไม่เอาเราไม่ไว้ใจอะ ไอ้พวกนั้นนี่เราก็ช่วยกันก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปช่วยยังไงพระพุทธเจ้าทึกเป่งคำที่หยาบที่สุดและหลักทิบพายใหญ่แล้วหยาบที่สุดแล้วมม่รู้จะทํำยังไงในทันหมดทางเพราะว่าท่านไหนฝังว่าโอ้นี่มันเหลือเศษนิดนหน่อยนี่ท่านสามารถใช่ไหมถ้าเชื่อวพุงท่านว่าไอ้เศษนิดหน่อยนี่ท่านจะพลักพลัออกมาพับอันนี้จุดนี้พวกกุญแจที่ผีจะต้องระหนักยันได้ เพราะว่าถ้าหากว่าตายแล้วแล้วกันไปรูปราชาก็ไม่ได้ก็แล้วกันไปอล้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่เข้าใจละเอียดซ้อนถึงรูปราคาอรูปราคะอะไรพวกนี้เขายังไม่เข้าใจซอนเพราะถ้าบอกว่านี่จิบหายใหญ่แล้วแล้วก็ภูมิสูงจริงๆฐานสูงสูงกว่าทางด้านสายปัจจวัคคีท่าตนต้องทึงถึงผูง้ที่สูงที่สุดก่อนใช่ไหพระพุทธเจ้าสูงกว่ทาปัจจวัคีอีกเลยซ้ำไปพพเพราะเงือเศษน้อยเหมือนกันขนาดนี้ท่านยังอุางงงาท า, านจิบหายใหญ่แล้ว ไม่รู้จะทำยังไงหมดทางช่วยพราะยังประมาทจุดนี้ต้องเอาให้จริงอาทีนี้ไม่ถึงไหนแล้วอ๋อแม้แต่อานาปานาสติที่หมายเอาการนั่งหลับตาเพ่งลมหายใจเป็นกระสินก็เป็นมรควิธีที่เหมาะสมกับพระโยคาวจรที่มีจิตสูงท่านตกเข้ากระแสอนาคามีโดยนัยเดียวกันนี้เองถ้าเข้าใจว่าอานาปานาสติคือการนั่งเพ่งลมหายใจเข้าออก แล้วก็จะเรียนรู้รูปนามจากการไม่เอาผัสสะหยาบโดยเริ่มเอาผัสสะละเอียดขั้นจับลมหายใจเป็นรูปกันเลยฟัให้ดีนะโดยเริ่มเอาผัดสะละเอียดขั้นจับลมหายใจเป็นรูปกันเลยหรือยิ่งจะใช้การระลึกอดีตพิจารณาความเกิดความดับของสรรพสิ่งเพื่อเกิดยานเกิดบิมุดวงเล็บคือไม่ขยายขอบเขตความเข้าใจออกให้กว้างขวางดังที่ได้อธิบายมาแล้วตั้งแต่ภาคหนึ่งตอนต้นมาเรื่อย คือหมายความว่าอาณาปานสติแบบดึงตาเนี่ยขอบเขตของพวกนี้พวกนี้พวกนี้ที่อธิบายมาตัแต่ต้นตั้งแต่ภาคหนึ่งะที่หมายจะเอารูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรแต่ไหนไม่ใช่เอารูมหายใจเป็นรูปแต่อาณาปานนี่หมายความว่าลมหายทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกที่เป็นคนอยู่ยังไม่ตาย รู้ลมหายใจเข้าออกตัวได้อยู่มีสติรู้ว่านี่ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นอย่างไรอยังไง nei. เข้าออกเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นอะไรหรือว่าเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวอะไรก็รู้มีสติอ่านแม้แต่ลมหายใจรู้อย่างนี้มีสติที่ระลึกได้รู้ลมหายใจของตัวเองมีสติที่ละเอียดพอมีความเก่งพอที่รู้ว่าดูลมหายใจของเราเนี่มันมันเป็นสภาวะละเอียดแล้วนะลม ห, หายใจเข้ากัจบจับติดว่า Next, อ่อนยิยาวยาวสั้น ถ้ามีจิตสัมปชัญญะตื่นโพลงได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนี่แหละจงใช้สติอย่างนี้แหละตื่นเต็มอย่างนี้แหละพิจารณาอะไรอืร่นในรูปรถกินเจิญสัมผัสปัสสาะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอาณาปานสติที่จะอธิบายกันเต็ ม, ต ม, ตมหมายความว่างี้นะมันถึงจะไม่ขัดกับอาณาปานสติสูตรแล้ก็ต้องตามเขตที่กรรมฐานตัวเองด้วยอ่าต้องมีสติให้แรงถึงขนาดนี้ โดยการเช็คว่าลมหายใจเข้าออกของเราเข้ายาวสั้นเข้าสั้นเข้ายาวเข้ายาวเข้าสั้นอะไรเนี่ยมีสติรู้ได้ละเอียดขนาดนี้แล้วนะไม่ใช่นั่งหลับตาหลับตาไปหลับตาไปไอ้ลมหายใจเข้าสั้นหรือเปล่าล่าวะยาวหรือเปล่าวะชักไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไม่รู้ลมหายใจเข้าสั้นเข้ายาวแล้วตัดลมหายใจไปเลยไม่มีความรู้สึกแล้วตอนนี้ลมหายใจสั้นออกไม่ออกไม่รู้ลมขนาดนี้แล้ว แล้วจะไปนั่งรู้เรื่องรู้ราวอะไรอีกพิจารณาธทำอะไรอีกยากมากทัศนสติมันตกอ่อนกว่ า, ข, วาขนาดนี้แล้วเพราะแม้บทจบที่สุดถึงนิดสคานุ ป, ปัศีแล้วท่านก็นยังบอกว่าเรายัางระลึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เขาอนทุกวันนี้เขบอกว่าถ้าถึงจุดแล้วเราต้องหมดศาสตาสตกนนแนสิเรไปอดลมหายใจชาญศีหมดลมหายใจแล้วขัดกันหมดโดยคําอธิบายบอกถึงชานศีแล้วนะ หมดลมหายใจแล้วไม่มีลมหายใจแล้วแต่ขัดกับคําสอนพระเจ้าบ่าแม้แต่จะพิจารณาทำในธรรมไปจนกระทั้งถึงจิตในจิตถึงธรรมในธรรมถึงขนาดวิราคานุปัสสีถึงนิโรธานุปัสสีถึงปฏินิสคานุปัสสีแล้วจบทบวนกระบวนกามแล้วยังเราจัดพิจารณาตัวจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะมีรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ว่าลมหายใจออกสั้นเข้าสั้นลมหายใจยาวเข้ายาวแล้วลมหายใจออกยาวเข้าสั้นอะไรตามแต่ ทบทวนอยู่นะไม่ว่าขาดกันหมดที่กังสอนพระพุทธเจ้าเพราะตอนนั้นไม่มีโลหิตใจเขาออกเข้อสันติก็แน่นอนสิมันถึงขาดอนาภาน้าสี่สิูนย์แล้นี่เราจะยกเป็นประเด็นที่อ้างว่าคุณอธิบายธรรมะน่ะเลอะแล้วไม่เป็นปัจจุบันธรรมนอกจากไม่เป็นปัจจุบันธรรมแล้วมันไม่มีตามที่ในพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามต้องมีด้วย บางคนไปหาว่าพระพุทธเจ้าเพลินกล่าวเพลินไปจ่าดา่าวพระเจ้าดูพระเจ้าดูถูพกพระเจ้าอย่าพระเจ้าก็ได้ด้วยอย่างนี้เจ้งกันทีอย่างนี้กัไม่ต้องศึกษากันแล้วดูถูกประสพพันญูพระพุทธเจ้าทึกป่านนี้หาพระเจ้าเพลอสติจนกระทั่งท่านกล่าวเพลินไปไอ้มันติดมาว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้ายาก็รู้ยาวลมหายใจสั้นก็รู้สั้น <laughs> นั่นแหละคุณพูดนั่นกัคุณว่าก็จริงเผอจนกระทั่งชั้นเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยเขาตู่พระเจ้ามากมายแล้วดู ด, ดูพระสัพพัญญูพระเจ้าเือเกินเพราะมันขัดพวกนี้เราจะเอาประเด็นพวกนี้มาอ้างมากระจายกันให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้อธิบายกันตามภูมิตามความเข้าใจของขแต่ละบุคคลแล้วทําให้เลอะเลือนอคาสอนคนเลอะเลือนว่าคือไม่ไม่ขยายขอบเขตความเข้าใจออกให้กว้างขวางดังที่ได้อธิบายมาแล้วตั้งแต่ภาคหนึ่งตอนต้นมาเรื่อยไงนะ ก็ยิ่งเป็นวิปั ส, สนาธุระของผู้มีภูมิฐานขั้นพระอนาคามีจริงๆเพราะว่าลมหายใจนี่มันเป็นของที่ละเอียดแล้วที่จะเป็นเครื่องวัดว่าเรามีสติเต็มขนาดไหนอาการเพ่งลมหายใจหรือใจลมหายใจเป็นกระสินนั้นผู้จะประพฤติวิปั ส, สนาในขั้นนี้จะต้องเข้าใจว่าตนเล่นกับาธาตุลมออาตอนนี้เป็นอาณาปานสติในทวารจิต อาณาปานสตินิทวานในนะกำลังจะอธิบายต่อไปนี้จะต้องเข้าใจว่าตนเล่นกับธาตุลมและเป็นธาตุลมขั้นสะอาดขั้นสูงด้วยเป็นบทปฏิบัติของผู้มีฐานขั้นละเอียดสุกุมคือขั้นเรียนรู้จิตในจิตเวทนาในเวทนาและแน่ใจว่ารู้ธรรมารมที่ละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งมีรสบางเบาได้แล้วจริงจึงจะมีผลตรง เพราะแก้ขั้นรูปธรรมนั้นก็ขนาดยกอารมณ์หายใจเป็นส ก, กายะกันแล้วนี่ขั้นกายเนี่ยขั้นลมหายใจเนี่ยยกลมหายใจเป็นส ก, กายะแล้วก็ต้องแสดงว่าเข้าใจส ก, กายะได้ดีในส่วนหยาบเป็นรูปธรรมหยาบหยาบมาแล้วและตัดละมาได้พ้นส ก, กายะขั้นตน้ตนๆกันมาได้แล้วเช่นธาตุลม อี่หยาบที่ฟูย้อนอีกธาตุลมที่เป็นรูปธรรมหยาบๆก็ไอระเหยหรือควันละเอียดเป็นต้นอันเป็นกลิ่นเป็นธาตุลมที่ยังมีริทมีรูปธาตุหยาบๆทาปฏิกิริยาได้แรงแๆซึ่งเป็นอบายมุกก่อนละก่อนเลิกหลุดพ้นในธาตุดินหยาบๆธาตุน้ําหยาบๆธาตุไฟหยับๆธาตุลมหยาบๆมาได้แล้วจึงมาถึงขั้นกลาง เมื่อกี้นยาแต่นี้ขั้นกลางก็กลิ่นหอมนี่ก็เป็นลมเมือนกันกลิ่นเหมน็นลมเย็นลมร้อนอะไรต่างๆดังนี้เป็นต้นก็รู้ในพรษาขั้ น, นี้รู้ในเวทนาที่เกิดทุก t เกิดสุขเนื่องจากพรษาที่มีรูปขนาดกลิ่นขนาดลมดังกล่ามนี้ก่อนละก่อนเลิกหมดสุขหมดทุกข์หมดยึดหมดถือหรือรู้เท่าทันรูปธรรมขั้นนี้มาได้แล้วจริง จนในสุดขันลมลมละเอียดขั้นลมหายใจเป็นรูปแล้วจะเรียนรู้นามที่สังขารอยู่กับลมหายใจนั้นอ่าขั้นทีนี้ขั้นปั้นจิตนี่มันขั้นปั้นาธาตุลมแล้วลมที่ละเอียดยิ่งกว่าลมหายใจเพราะมันลมลมแรงแงเป็นอากาศธาตุอสรีรังไม่มีตัวตนมีแต่สภาวะวิญญาณธาตุ ยกจิตขึ้นมารู้มีสัญญาจะจำเวทนาได้ก็จะจำอยู่ที่สัญญานี่แหละปรุงอันนี้ออกมาใหม่สังขารอันนี้ออกมาใหม่ท่านนั่งอยู่คนเดียวก็ดารึกสังขารออกมาใหม่ไม่ใช่กลิ่นที่ทางจมูกไม่ใช่ไอละเหยไม่ใช่กลิ่นหอมนี่ไม่ใช่ธาตุเสียงไม่ใช่ธาตุตานั่นยาบกว่านี่ขนาดธาตุลมไม่ใช่ลมอย่างนั้นแล้วนะ แต่ถ้าผู้ใดยังไม่รู้รูปหยาบยังไม่เข้าใจส ก, กายะหยับๆ บ, บไม่รู้นามรู้จิตของตนที่ติดที่หลงที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่กับรูปหยาบส ก, กายะหยับหยาบหรือหมู่กลุ่มของรูปหยาบวงเล็บกายนอกกายและกายในกายขั้นส ก, กายะคือหมู่กลุ่มของสิ่งของเรื่องที่ยังใหญ่ยังหยาบรู้ง่ายไอทิบอธิบายมาเมื่อกี้ก็ยังไม่รู้รูปไม่รู้แม้จิตวงเล็บกามเอ้ยนาม ของตนว่ายังเล่าร้อนเสพสิ่งหยาบสิ่งตําอยู่แค่การพนันคือรูปหยาบนาย้อนอีกมันก็น่าเห็นได้เราอธิบายธรรมานิยย้อนจังเลยย้อนไปหยาบอีกเสพสิ่งหยาบสิ่งตําอยู่แค่การพนันคือรูปหยาบของเสพติดที่รู้ชัดแจ้งง่ายๆคือรูปหยาบผู้หญิงผู้ชายเมถุนธรรมที่รู้กันได้ชัด ช, ดชดแจ้งง่ายๆคือรูปหยาบมหอประสบการณ์ละนคือรูปหยาบคิดเกี่ยคิดคล้าาไม่ทําการทํางานคือรูปหยาบอันเรียกว่านหัหวหน้านรก หรือนรกหยาบๆขั้นต่มสุดวงเล็บอบายมุกและหรือแค่รูปหยาบขั้นคนเมาลาบอยู่ก็ยังไม่รู้รูปของลาบที่ตนหลงมันตนเมายศอยู่ก็ยังไม่รู้รูปของยศที่ตนหลงตนยังเมากามฆคุณห้าอยู่ก็ยังไม่รู้รูปของกามฆคุณห้าทั้งหลายตนยังเมาสันเสริญอย่างโลกโอยู่ก็ยังไม่รู้จักรูปของสันเสริญหยาบยาสัเสริญโรโที่ตนหลงก็ยังร่วมสังขาร มีน้ำซ้ำยังร่วมทังวาสกับรู ป, ปรธรรมเหล่านั้นอยู่อย่างดื่มดำแสนสุขคลุกคลีแสนสุขคลุกคลีเ น, นี่ยแปลเป็นภาษาบาลีว่าสังสักคะสังสักขะนี่แหละแสนสุขคลุกคลีเข้ามาแปลเป็นไทยแต่แค่ว่าคลุกคลีหรือเกี่ยวข้องที่จึงไปติดเป็นสุขเป็นสวรรค์นะจึงแปลเอาคำคำเต็มแล้วสังสักขะนี่แปลว่าแสนสุขคลุกคลีคือไปตรงประวันสวรรค์นั่นแหละ สักข้แปลว่าสวรรค์สักสังแปลว่าประกอบพร้อมกับสวรรค์มันมีสวรรค์นั้นอยู่จึงไปเรียกไปคลุกครีมันอยู่ก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันดีมันชอบใจน่าชื่นใจมันเป็นสวรรค์มันรื่นเริงมันเทิงอะไรยังไปหลงเป็นแสนสุขทุกคลีอยู่ด้วยซ้ําซึ่งยังล้วนเป็นรูปหยาบวงเล็บของระดับพระสกทาคามีนะเป็นรูปหยาบของพระสกทาคามีนี่ก็ไม่สงสัยนะเพราะว่าแม้แต่ไอ้รูปหยาบขั้นปราบยอดสรรเสริญและก็กาลมรึงพระสกทาคามี ก็ยังไม่รู้ในรูปยังไม่เข้าใจในความเป็นส ก, กายะของมันตามฐานของของตนยังขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่กับรูปพฤตรรมเหล่านั้นอยู่ก็ป่วยการไปนั่งหลับตาเล่นกับรูปสะอาดรูปละเอียดขั้นลมหายใจธรมธรมดาธรรมดาและเล่นกับจิตขั้นมีธรรมารมสุ ข, ขุมมีรสชาติสุขเวทนาทุกขเวทนาและลึกซึ้งประณีตออกปานนั้น จะยกจิตอันยังหยาบขึ้นสู่วิปัสนาอันละเอียดผิดขั้นผิดฐานผิดฝาผิดตัวกันได้อย่างไรเพราะแค่ทุกขวงเล็บอริยสัจอย่างหยาบหยาบกล้านซึ่งเกิดจากปัจจัยต่ำๆหยาบๆแท้ๆที่กระทบอยู่สัมผัสอยู่ทนทออกปานนั้นก็ยังรู้ทุกข์ไม่ได้ว่าเพราะเหตุอะไรเพราะปัจจัยอะไรที่ตนยุติัดผัสสะนั้นๆอยู่ตนมีตัณหาอยู่ ปฏิจสมุปบาทแค่นี้แค่นี้ก็ยังสืบสาวราวเรื่องเอารูปเอานาม้มยังไม่ได้แล้วจะไปรู้ทุกรู้เวทนาเห็นทุกเห็นเวทนาซึ่งเกิดจากปัจจัยที่ละเอียดบางเบาเพราะเป็นเพียงทวารจิตกับรมหายใจและหรือไม่ก็ภาพนิมิตบัางจินตนาการบัางอันสุ ข, ขุมละเอียดจริงๆอ่าซึ่งจะเอามาใช้อ่ะแต่จะไปปลูกปลํา ฝืนเรียนฝืนเรียนติดกันนะสองตัวนะั้นจะไปปลุกปล้มฝืนเรียนหรือขมขืนรีดชฉเราเพื่อให้รู้ทุกข์รู้สมุทัยกันทั้กันแล้วจะทำนิโรธให้แจ้งให้ได้ในขั้นนารูปอันเป็นสุขุมรูปออกปานนั้นคือขั้นลมหายใจเป็นรูปขั้นหยาบลมหายใจเป็นรูปขั้นหยาบ แล้วก็รูปประจิตและอรูปประจิตไปขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นนี่หมายความาไปเช็ครูปรรประจิตอรูปประจิตที่เหลือนะอยู่ในจิตนะก็อย่าไปหวังหวานกันนักเลยนะก็อย่าไปหวังหวานกันนักเลยอย่าเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดผู้ไม่รู้ฐานไม่รู้สารรูปตามความเป็นจริงจนป่านนั้นกันอยู่เลย อันนี้เป็นอุทาหรณ์นี่นะเป็นสมมติสัจจะนะแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้นัยยะเทียบเคียงให้ได้ว่าปรมตทสัจจะนั้นก็มีสารรูปของมันจริงๆคือตัวเองนะเป็นหมาวัดแท้ๆละแม่จะไปกระเยอะกระแยงกับดอกฟ้ายาเลยอย่าไปอย่าเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดถึงอย่างนั้นเลยมันไม่เข้าร่องเข้ารอยไ ม, ไม่เคยเข้าฝาเข้าตัวน ะ, ะมันไม่เข้าฝาเข้าตัว ฝาของคุณอาจจะเป็นฝาหมอที่ปั้นด้วยดินเน่าดินเลนดินคโครนที่ไม่เขาทาเลยและจะเอาไปปิดตัวหมอกลายคลามสังฆโลกชั้นดีเบญจรงค์โธมันปิดเข้าไปได้ยังไงดูก็ด่างเต็มทีเพราะอะไรเพราะฐานจิตของตัวเอง ย, อยับหยา แล้จะมานั่งหลับตาจะพิจารณาอรู ป, ปรจิตรูปจิตรูปราคะอรูป ร, ราค ะ, ร ะ, ราคะขั้นสังโยชน์สูงไม่ได้ง่ายๆหรอกเอนี่พูดกับพวกเรานะนี่ก่อนในหนังสือนี้ผมก็ได้ฆ่าคําว่าอยาเป็นดอกฟ้ากะม่อวัดผู้ไม่รู้ฐานไม่รู้สารรูปตามความเป็นจริงจนปานนั่นกันอยู่เลยนี่ทิ้งแล้วถ้าเป็นหนังสือที่จะพิมพ์ออกไปจะไม่เอาใส่อันนี้ท่านไม่จัดแจง อันอื่นมีมีมีอันอื่นต่อไปจากนี้มีเหมือนกันแต่ว่ามันเบาแต่มันไม่แหมมันจริงเหลือเกินเนี่ยขันใครมันศรัทธาจริงๆแล้วมันพูดอย่างนี้แล้วมันฉ่าใจดีมันแรงนะมันชัดนะอันอื่นต่อไปมีที่ผมถึงตัดอันนี้ออกถ้ามีอันอื่นมันก็ไม่ได้ผมเห็นอันอื่นต่อไปเนี่ยเน็ต่อไปนะเหมือนอย่างกับผู้มีฐานจิตเท่ากับตะกร้าตาหางอยู่ซึ่งจะรองรับจับงานได้แค่สิ่งของหยาบหยาบขนาดธาตุดิน จะให้มารับจับงานกับสิ่งของละเอียดขึ้นมาะละเอียดขึ้นขนาดาธาตุน้ํามันก็ย่อมไม่ได้ยิ่งละเอียดจัดไปถึงขั้นให้ไปรับจับงานกับสิ่งของละเอียดยิ่งขึ้นขนาดาธาตุลมมันก็ยิ่งไม่มีทางจับติดอะไรเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละนี่มีอุทาหรณ์อันนี้ชัดไม่แรงแอนุนแรงจังเลยถ้าใครจริตศรัทธาจริตชอบได้มีศรัทธาเพียงพอด้วยกันแล้วแล้วก็ออืจริงชัด ก็ได้สัตว์กยาจบ ก, ก็ได้แต่นี่ดอกฟ้ากับหมาวัดนี่เราเข้าใจในัยยะมันจริงมันอาจเอื่อมหรือมันเหิมหานเกินไปอนี่ยนะมันเข้าใจได้ง่ายง่ายแต่มันแรงนะเราก็เลยกันอันแรงนี้ไว้เอระกช่างมันเถอะปิยะวาจาดีกานะปิยะวาจาดีกวาก็เลยคิดฆ่าทิ้งแล้วยังมียังมีแรงที่จะเกาพวกนี้อีกเยอะหนังสือนี้รู้ตัว ทำแรงๆไว้เพราะว่าเราเองเราตั้งใจหมายอธิบายพวกเราเราไม่ได้คิดจะออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อจะป ร, ะริสัยุตตาที่ไม่ใช่บ ร, ริษัทบ ร, ร, ริษัทนี้มันก็ต้องพยะยามาเกลาสู่บ ร, ริษัทบ ร, ร, ริษัทที่มันกระจายออกไปมากอีกหน่อยต้องจะเกลาอีกมากเลยแรงที่เราทํำมานี่เราอธิาบายพวกนี้แรงนะพอเดี๋ยวจะกลายเป็นอนุปวาโทม า, าามากไปมันจะร้มากแย่มินดีอแต่ก็เป็นประโยชน์ได้อยู่บ้างนะทีนี้ถึง อ, อนาุนาปานสติตามที่เขาเข้าใจนี่นแหละ แต่ก็ยังเป็นประโยชน์ได้อยู่บ้างแม้จะให้ผู้ยังไม่ประสีประษานีประพฤติถ้าสอนกันให้ถูกจุดถูกเป้าหมายแม้จะให้มานั่งหลับตานี่แหละก็มีประโยชน์บ้างเล่นลมห้ใจเข้าลมหาใจออกเนี่ยถ้าสอนก็ถูกเป้าหมายถ้าว่ามันไม่ใช่ประโยชน์อันเรียกว่าวิปัสนาฐานไม่ถึงนะ่ะผู้ที่ไม่มีฐานที่จะไปได้จริงเนี่ยเป็นบอกฟากรรมาวาจริงๆเนี่ยใครมานั่งหลับตานี่มีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกัน อันนี้เราบอกเราบอกถึงประโยชน์บางส่วนอีกด้วยแต่ไม่ใช่พิประโยชน์วิปัสนาวงเล็บสําหรับผู้ยังไม่ประสีภาษานะคือคือพุที่ถานไมถึงนั่นเองคือดอกฟ้ากะม่อวัดจริงๆเป็นหมาวัดจริง ๆ, งๆอ่าสำหรับผู้ยังไม่ประสีภาษาหรือภูมิฐานยังไม่รู้รูปรู้นามขั้นสุขุมมารูปมันเป็นเพียงประโยชน์ขั้นสมถะคือเป็นการจูงใจหรือใช้อุบายให้ผู้ประพฤติได้ฝึกสงบจิตลงให้ได้ดังนั้นสําหรับผู้ยังไม่รู้อิโนโออินเนอ์อะไร จับไปนั่งหลับตาเข้าให้เพ่งลมหายใจให้จิตผูกอยู่กับลมหายใจให้เพ่งสะดือหรือเหนือสะดือเท่านี้เท่านั้นนิ้วเท่านี้นิ้วเพ่งท้องพองท้องยุบเพ่งพุทโธเพ่งลูกแก้วเพ่งพระพุทธรูปหรือเพ่งถาดดินถาดน้ำถาดไฟไปจนกระทั่งถาดลมออกปานไหนก็ตามจิตก็จะได้ถูกฝึกให้รู้พักรู้จดจอ่อรู้จักรู้จักกับการมีที่เกาะ จะได้สัมผัสกับสภาวะจิตที่มันรวมกันอยู่ไม่มันไม่กระจัดกระจายสัดสายฟุ้งพรุงมากเรื่องที่เรียกว่าเอกคตารมนั้นบ้างอาจจะได้รู้สภาพที่จิตที่มันไม่ซัดสายไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันมันเบามันง่ายยังไงหรือมันสงบมันเป็นยังไงแต่คนที่ยังมีฐานสงบแล้วก็กลายเป็นถีนมิธะที่มีอุจจจะและกุกุจจะอยู่ในใจก็ตามแม้จะหยุดยุติได้มันก็ยังทึบๆอยู่อย่างนั้นเลยนะ แต่ว่าก็ยังดีก็ยังรู้จักมันรวมรว ม, มันไม่ฟุ้งออกไปก็ยังรวมเป็นเอกคตารมณอยู่ได้บางก็ไม่เร็วเลยถ้ารู้จักฐานแล้วกระทําให้ถูกตรงอย่างเข้าใจเรียกทิฏฐุชุ ก, กรรมแล้วเขาให้ตรงทิฏฐุชุ ก, กรรมก็ทําให้มันตรงตามปัจจุบันนั้นตามเหตุผลนั้นแล้วก็สําคัญผู้สอนผู้อาจารย์ต้องรู้ฐานของผู้ที่กําลังฝึก กับต้องไม่ให้ใช้จิตผิดหรือเล่นกับจิตออกนอกลู่นอกทางต้องเข้าใจให้ถูกเป้าต้องทำให้ถูกกับฐานและจะต้องเพิ่มฐานรู้ขั้นตอนแห่งการเพิ่มบทปฏิบัติในโอกาส ต, ต่อๆไปต้องรู้ว่าคนนี้ไม่ภาษีภาษาก็เอาละเขาจะเอาอันนี้ลหละเอาก็ให้บอกบอกรรมฐ า, านให้นั่งหลับตาเฉยเฉยเรื่องอื่นให้ตัดนิมิตนิมิเรื่อ ง, อ, งอนอนี้เนี่ย ให้รู้จักหยุดจิตเท่านั้นเองแม้จะเป็นหลับก็ให้อันเดียวกันนั่นแหละคือการนอนหลับจิตของเขาจะฝันจิตของเขาจะฟุง้งจิตของเขาจะทํางานอะไรแต่ได้เป็นเนวัตสัญญาหนาสัญญาหรือว่าจะไปสร้างเรื่องสร้างราวเฟ้ออะไรอยู่เขาเป็นอย่างนั้นแหละถ้าจิตไม่ปีเมื่อสานะั้นนั่งหลับไปให้ตายยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นจิตจะมานั่งได้อากาสานันจายตนะจะได้วิญญาณาันจายตนะได้อกินจัญญานันตนะเป็นอัญญีนนยนี่นะ เป็นอักษรยีนี่นะไม่ได้จะได้อย่างเก่งที่สุดในวัสัญญาณาสัญญามันกลับกันนะรูปธรรมเออรูปประูปปชานเนี่ยอากาสาวิญญาณานจานอากินจาในวัสัญญาถ้าคนนี้นเป็นภาษีภาษาเลยเนี่ยจะได้ในวัสัญญาณาสัญญาเอไอากาสาวิญญาณานจาอากินจันไม่ได้มันตีกลับจะเป็นได้นั่งหลับตาเข้าไปแล้วก็ลำลองเลือง รู้ว่าไม่รู้ตัวก็เหมือนกับมันรู้ว่าไม่รู้ก็ไม่รู้หรือไม่ ก, ก็หลับฝันไปเลยไอ in oui, ้รู like ้หรือไม่รู้นั่นก็คือฝันนั่นแหละฝันไม่เป็นเรื่องไอ้รู้บางไม่รู้บางในว่าเรียกวันนี้ว่าสัญญาณอย่างอย่างเอาภาษานี้มาอานุโลมเรียกคือมันจะว่ารู้ก็ไม่รู mm. hmm. <S <S ้มันไม่รู้เรื CC ่องอะไรมันลำลำเรื่องๆบุญอะไรอยู่เงี้ยน่ะอจิตเนี่ยจะว่าไม่รู้ตัวเลยเป็นอัศจริย มันก็ยังรู้ๆอยู่ว่ามันลำลำเรืองเือมันๆๆๆมันไมจะหลับก็หลับไม่สนิทรอไม่สนิทหรอกอยู่อย่างนั้นอ่ะก็หลับนั่นแหละมันไม่ได้เป็นเหตุอะไรหรอกเอาได้หลับซะบ้างได้พักและจิตก็ได้ไม่ไม่จดจ่อไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปจดจ่อก็อยู่ที่นี่บา้างเป็นลำลำเือถ้าฝันเป็นเรื่องก็ยังฟุ้งซ่านนั่นแหละตัวฟุ้งซ่านนั่นแหละที่จริงตัวอุทจฉานั่นแหละ แต่ฝันเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องไปถ้าเรื่องร้ายก็กุจจะบางทีทุกร้อนลำคาญบางทีเดือดร้อนใจด้วย ก, กุจจะมากแรงถ้าฝันบางเรื่องเพราะฉะนั้นบางคนที่มานั่งหลับตาแบบนี้จริงกันบอกเขาว่าไอ้ที่เรื่องที่เห็นในฝันนะั่นคือนิมิตบอกเขาว่านิมิตก็ได้บอกว่านั่นแหะถ้านิมิตนั้นมันร้ายมันเลียงต้องพยายามปัดเป่าเลิก อ, ออกจากไปสนใจกับนิมิตภาพอะไรที่จะเริ่มเกิดจะต่อตัดอย่าให้มีนิมิตถ้ามีนิมิตแล้วปเดี๋ยวฝันร้ายโกลนฝันร้ายนึกว่าจริง พอนึกว่าจริงก็เพ้อเนึกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมมานั่งอะไร <clash> เห็นภาพฝันนั่นแหละแล้วทีนี้มันมีความตั้งใจแรงนึกว่าตัวได้อะไรสักอย่างหนึง่งเป็นภาพชีวิตที่จริงฝันธรรมดาเสรแล้วเร <New> าเป็นฝันร้ายตกใจเสียใจดีใจเพราะยึดจริงมากกว่านึกว่าเรานอนหลับฝันนี่มันเป็นสภาพธรรมดาของคนที่เป็นไปอยู่แต่ว่ามานั่งหลับตาเขาอย่างนี้นื้ว่าตัวเองนี่ทำปฏิทำปฏิบัติธรรมอะไรอย่างหนึง่งมันจะได้ของกินอย่างหนึง่งก็ไปเจอตัวฝันตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ใจมันเข้าใจผิด เป็นนิชาที่เทียมันนึกว่านี้เป็นของจริงเพราะฉะนั้นมันจะจริงจังมากกว่าอีกพอเกิดก็จริงจังมากกว่าถ้าฝันว่าฝันร้ายน่ะมันก็ยังนึกว่าเป็นฝันมันมีจิตตัวหนึ่งบอกอยู่นะมันก็ไม่จะไม่ตกใจดีใจอะไรแรงเท่าไหร่แต่อันนี้มันนึกว่าจริงเออนั่งอยู่ด้วยมันจะแรงพบสิ่งร้ายเรื่องร้ายเท่ากันกับฝันเลยนะแต่ท่านนั่งหลักตาทำนี่นะเรื่องนั้นนะ จะทำให้จิตบุญแรงกว่าเพราะงั้นถึงจิตตกจิตเสียจิตกลัวก็กลัวลานเลยดีใจก็ไม่โลดลิงโลดเลยมากเกินไปทาให้จิตอุปทานหนักอกีกเสียเพราะฉะนั้นเราจะให้นั่งพน้นไม่ภาษีภาษานิฐานคิดแต่ก่อนแต่จะเอานั่งละก็ให้หยุดจ่าเอานิมิตใดๆเป็นเนวัสัญญาณนะสัญญาอย่างดีเป็นเนวัสัญญาณนะคือลำลำเมืองเรืองนั่มัน อะไรจะงวจะง่ว ง, จ ะ, ง, วงจะอะไรก็อย่างดีก็นอนนั่นแหละแต่ไม่ยอมนอนจะให้นอนก็ไม่เอาก็ยังดีอยาให้มีฝันมีเลอะอะไรไม่งั้นอุปทานจะจัดขึ้นอีกไม่เอาเนี่ยเราต้องรู้อาจารย์ต้องรู้มุมฐานอันนี้อย่างชัดเจนแล้วต้องบอกคนนี้ก็จะยืนหยัดอย่างนี้ก็เอาแต่ถ้าไม่อนุโลมเขาไม่มีเวลาพอที่จะมาสอนคนพวกนี้อยู่ตัดทิ้งก่อนไม่เอาอะ ปฏิบัติไปเรียนรู้ตามขั้นพิบัสินาธรรมดาของเราให้รู้รูปร่กลิ่นเสียงสัมผัสให้รู้กิเลส อ, อาบายมุกรู้อะไรต่างๆนานาพวกนี้ไล่จริง ๆ, ง ๆ, ง ๆ, ง ๆ, แ, ลๆแล้วผัดสะจริงๆไปแล้วมนันตัดจริงๆแล้วปัดโถมันนั่งเข้าหลับตาพวกคุณเนี่ยหลับตาไม่เป็นใครหลับตาไม่เป็นบ้างผมไม่ได้สอนจับที่จับแฉเรื่องหลับตาจริงพวกรู้ใหม่ไม่ไดหลับเลยอย่างชาตรีอย่างนี้ไม่ได้สอนหลับตาเลยนั่งไปหลับปีปีไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ส่วนเดี๋ยวนี้แม้ที่ไหนมาแล้วขึ้นเนี บ่อยมากเห็นมันตกฐานนี้ถ้าการมาชันท้ามันเบาท้าปัาป่าท้มันเบามันตกฐานนี้เองไม่ต้องไปสอนนั่งรับตาว่าโธคนมันอยากตายอยู่แล้วที่จริงทางธรรมนะคนมันอยากตายอยู่แล้วมันอยากหยุดอยู่แล้วมันอยากพักอยู่แล้วมันเบื่อโลกเต็มทีแล้วทางธรรมเพราะงั้นให้มาตกฐานในจริงแล้วอจะปลูกยากสิเพราะมันตีกลับไปกลับมาเนี่ยถึงเรว่าสลัดคืนอยู่ด้วยเลยพระธานนี้ก็ต้องปลูกขึ้นมาให้พิจารณารายละเอียดต่อ ถ้าสติไม่เต็มพิจารณารายละเอียดต่อไม่ได้ต้องตั้งฐานสติใหม่ให้เต็มอีกอพิจารณารายละเอียดต่อทิงต้องแก้ที่น้มิถะถ้าไม่แก้มันก็ไม่ได้นี่อยากพูนต่อนะแลาข้อสำคัญผู้สอนผู้อาจารย์รู้ฐานเขาผู้ที่กําลังฝึกกับไม่ต้องไม่ให้ใช้จิตผิดหรือเล่นกับจิตออกนอกลูกนอกทาง ต้องเข้าใจให้ถูกเป้าต้องทําให้ถูกกับฐานและจะต้องเพิ่มฐานรู้ขั้นตอนแห่งการเพิ่มบทปฏิบัติในโอกาส ต, ต่อๆไปเพราะเอกยนามโคอันเป็นทางเอกของพระสมานพรพุทธเจ้านั้นม่ใช่มีบทปฏิบัติที่นั่งหลับตาเพ่งลมหายใจเท่านั้นเพ่งลมหายใจก็ได้พระพุทธเจ้าทำได้ทำให้ด้วยแล้วผมก็ไม่ปฏิเสธจริงๆผมช้อนตรงกับคนมานั่งเพ่งลมหายใจก็ได้ ไม่ได้บอกว่าอาณาปานสติเป็นเอกายนะมโคฟังดีๆนะในคำสอนพระเจ้ญญาไม่ได้บอกว่าอาณาปานสติเป็นเอกายนะมโคนะท่านบอกว่าเพียงแต่ทรงยืนยันว่าเป็นของดีมีประโยชน์มากท่านบอกในบาลีว่ามหานิสังสารวงเล็บมหานิสังสามีผลมากวงเล็บมหาผลามากผละอยู่บ้างคือมีผลว่าอยู่บ้า ง, างเหมือนกันข้อสําคัญต้องรู้ ก, กรรมฐานจริงๆ ท่านบอกในอาณาปานสติท่านไม่ได้บอกว่าเป็นเอกายนามโคท่านบอกสติปัฏฐานหรือพวิปัสสนานั่นเป็นอากเอกายนามโคถ้าไม่ได้บอกอาณาปานสติเป็นเอกายนามโคไม่ใช่นะเป็นสิ่งที่บอกมหัพลามหานิสังสาในบาลีในพระบาลีว่ายอย่างนั้นแทนเท่านั้นผูจ้จะปฏิบัติอาณาปานสติอันเป็นบทปฏิบัติขั้นเก่งขนาดหยิบเอาลมหายใจมาเป็นรูปซึ่งมันละเอียดขนาดต่อจากฐานนี้ก็ถึง อากาสานัญจาิยตนะจริงๆคือหลับตาเข้าไปจริงๆนี่ถ้าเผือว่ามันมีฐานคนที่ไม่มีไม่มีกิเลสอะไรแล้วนะพอหลับตาปั๊บเข้าไปวงแล้วมันจะว่างปล่อยว่างไปเฉยๆหรือเราจะปรุงก็เป็นสัญญาเวทิิตะถ้าเราจะดับเลยก็เป็นอสานยีสัตว์สัญญาเวทิจิตะกับวิญญาณัญญาิยตนะเป็นตัวเดียวกันคือเป็นธาตุรู้ และรู้มันกําลังทําการสังขารทําการปรุงมันเป็นธาตรู้ปัญญาณนี่เป็นธาตรู้แต่รู้ตอนนี้กําลังทํางานไม่ใช่รู้นิ่งๆไม่ใช่รู้เฉยๆ้ารู้เฉยๆเป็นอากาสาพอเรๆนั้นจะสับสนจิตนี่พออยู่ในจิตปเปล่าๆเนี่ยจิตปเปล่าๆเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นอากาสาว่างโล่งไปเฉยๆตัวว่างโล่งไปเฉยๆเนี่ยนี่แหละเรียกวอากาศาแท้ๆ แต่ถ้าดับไปเลยก็เป็นอจินจาที่แบบอสัญญีคือถ้าดับปิตาวานห้าแล้วก็อยู่ที่ถวาวรใจเท่านั้นนี่นะมันจะเป็นอสันญีเลยนิ่งไม่รู้เรื่องอะไรนี่เรียกว่าไม่ถ้ามีก็คือว่างถ้ามีก็คือโล่งๆอ ง, งว่างถ้าไม่ก็ดับวุฒิไม่รู้แม้แต่ถ้ารู้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีถ้ารู้เรียกว่าวิญญาณก็จะรู้เป็นสัญญาเวทยิตะฟังดีๆ ถ้ารู้นี่หมายความว่าจิตของพระอระหันต์พระอริยะขั้นจิตแท้แน่นอนเลยนะขั้นเก่งเลยนะ อ, อระหันต์ขั้นที่จะทําจิตในฐานสมถะแบบนี้ได้เนี่ยเจโตสมถะแบบนี้เนี่ยแต่อรหันต์จริงๆนี่นะที่เป็นสุขวิปัสสโกไม่จําเป็นจะต้องหลับตาแล้วก็ไม่ได้เจตโตสมถะแบบนี้อรูปฌานอย่างนี้ไม่ต้องได้อย่างนี้หรอกนะแต่แค่มีวิโตวิจาร์พอหลับตาเข้าไปกับวิโตวิจาร์มีพิติมีสุขอะไรอยู่ก็ได้ อหรือไม่ได้ขนาดนั้นก็ยังไ่ด้เลยอรหันตุขภิปัสสโกน่ะหลับตาไปแล้วก็เป็นนอนหลับไปเลยเป็นเรื่องอะไรก็กำหนดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เอาจิตเขาไปอ่านนะไม่มีเจโตสัมปทาซักบทไม่เคยปฏิบัติเลยไม่ได้เลยเลยก็ไม่เป็นไรขอให้มีรู้จิตแล้วก็เนื้อจิตอยู่ตลอดเวลาที่ลืมตาโปร่งๆก็แล้วกันหลับตาแล้วทาไม่ถือเป็นโทษอะไรหลับตานอนหลับแล้วทาไม่ถือเป็นโทษอ่ามัน จะมีเรื่องมีรามีอะไรในะจิตก็ไม่มีปัญหาสำหรับอรหรันะทีนี้โลกผู้ที่เจโตสมถะนี่จนขั้นเกง่งนี่ไม่ใช่ขั้นเกง่งแค่รูปฌานนะนี่กำลังอธิบายอารูปฌานขั้นเก่งจงกตั้งสามารถให้มันเที่ยงได้ให้มันคงที่ได้เป็นอากาสานี่จิตหลับตาเขาโล่งเฉยจิตอยู่ตรงหน้าที่จิตโลกนี่โล่งวางปล่อยเฉย หรือจะดับเลยไม่ให้มีรู้เลยไม่เห็นเหลือเชื้อไม่เห็นมีแสงแม้แต่ไม่มีอะไรในโลกไม่มีเป็นอีกโลกนึงเป็นอาโลกะไออาโลกะนี่เป็นแสงคือตัดโลกนอกเป็นโลกในทีนี้ไม่มีแม้แต่อารอกัสัญญาไม่มีแม้แต่แสงมันเหลือแสงเท่านั้นเป็นอาโลกาอัสัญญาหรือมีแต่ความสว่างความว่างความความโปรงโปร่งเฉยเท่านั้นรู้แต่ความโปร่งไม่มีความโปร่งเลยดับไปเลยก็เป็นอาชัญญีทีนี้ไม่โปร่งไม่ดับ ปรุงละปรุงละยกจิตให้ปรุงละปรุงงงก็เป็นาธาตุธาธรู้ที่แท้เป็นวิญญาณธาตุที่เป็นวิญญาณนางอนิทัศนนางอนันตังสัพโตประพังประพัดสอแล้วก็รู้เข้าใจจะปรุงเรื่องอะไรล้วนแต่เป็นสัญญาเวทยิตะกาหนดชัดเจนรู้หมายรู้ควรจะคิดจะปรุงอะไรเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังทงานดีอยู่เต็มที่เลยย่นย่อลงมาแปบนี้หมด มีอยู่เท่านี้เองเนวะสัญญานาสัญญาไม่มีเบลร์เบรพระพระไม่ชัดไม่เจนไม่มีนี่เป็นอรูปฌานที่แข็งที่สุดยากผมเองทำอย่างนี้ตลอดการก็มมินทยบางครั้งเมือม่อๆเพลเพียก็ตกไปอยู่ในสภาพของแม่อสัน ญ, ญีก็บางทีก็เป็นเนวะสัญญานาสัญญาบ้างแล้วแต่ว่าจะตั้งใจถ้าตั้งใจจริงๆก็เป็นเนวสัญญานาสัญญาชั้นดี นะแต่ถ้าเมื่อยมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเพลียมากๆมันอยากพักไม่ไหวแล้วเป็นอสัญญาไปหมดดับตาก็ปีมันเด๋ยวไปอสัญญีหมดมันไม่เอาเรื่องอะไรเลยมันดับมันพักถ้าไม่เมื่อยมากนะนั่งพักพอสมควรก็ได้อยู่ในวนวัชญานาชัญญ า, นะญญาก็ปรุงเรื่องอะไรตั้งไว้ออกมาก็ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่เราปรุงเรื่องนั้นรู้ในวัช ญ, ญานาะชัญญามีผมแบ่งเป็นสามระดับชั้นดีก็คือปรุงอยู่ในจิตนี่แหละทว่า น, นอกไม่รู้เรื่องหรอก ตั้งหัวใจโมริการไม่รู้เรื่องมันมีแต่ในใจมันเหมือนค่ององมพิวเตอร์มันเดินเครื่องอยูเองตั้งข้อมูลให้มันแล้วมันก็ทําจริงจัง จ, ง, จ ง, งมันไปเองเป็นอรูปเป็นอรูปผมเองผ ม, ไ ม, ไ, ม, ไ, มไม่ไม่ไม่มีรูปมากมีอตรูปไม่ยึดรูปก็ปรุงไปแล้ว ก, ก็เข้าใจพอออกมาแล้วก็เข้าใจได้นี่ียกวัญญนนี้วัฒนาสัญญาชัญญาฉันดีถ้าเป็นสัญญาเวทีจิตตมันชัดแจ้งตอนเดียวนั้นอยู่ที่นั่นไม่ต้องออกไม่ต้องเข้าอะไรหรอก ไม่ต้องหลับตาลืมตาหรอกมันใกล้กันกับสัญญาเวททีิ่ตนิโรธในวัฏสงายนาะสัญญาชั้นดีนะมันใกล้กันที่สุดถ้าในวัฏญงายนาสัญญาขั้นกลางก็หมายความว่าในขณะที่นั่งหลับตาปรุงอะไรอยู่นี้ตั้งข้อมูลมันรู้เขาใจาเขาจ้าใจเรารู้เลยว่าเราเขา้าใจในขณะที่นั่งหลับตานั้นเรารู้เลยว่ามันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องอะไรอยู่นี้นั้นเขาใจเข้าใจตลอดเวลาเลยบางทีเป็นเรื่องที่โอ้โหน่ารู้แล้วมันได้เขา้าใจอะไรเพิ่มขึ้นดีใจด้วยซ้ําไป แม้ดีใจว่ามันออืเรื่องนี้เราเข้าใจมากๆในขณะนั่หลับสานั้นชัดเจนเข้าใจดีเจ้พอลืมตาออกมาเฮ้ยนึกก็เรื่องนั้นออกมาทําความเข้าใจไม่ออกไม่ขึ้นสู่วิถีแต่ไปทําเป็นทำอทิติยานไม่ขึ้นสู่วิถีนึกก็มาไม่ออกเราจะเอามาเขียนมาพูดมาอะไรไม่ได้เองมันยังไงอะไรมา น, น, นึกไม่ออกอ่ะ นี่เป็นเนวะสัญญาณาสัญญาขั้นกลางนะส่วนเนวะสัญญาณาสัญญาขั้นเลวนั้นเหมือนมีเรื่องอะไรมันชุ้งชิงชุ้งชิงปรุงปรุงอยู่นจะว่าไม่รู้มันก็รู้แล้วไม่มีเรื่องอะไรมันก็มีเรื่องอะไรอยู่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยแม้แต่อยู่ในหลับตามันยังไม่ได้เรื่องในราวเพราะฉะนั้นลืมตามามันก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรหรอกมันไม่มีเรื่องอะไรมันเลอะเลอเอเอะมัวมัวอย่างั้นนี่เล่มเนวะสัญญาณาสัญญาขั้นเลว ซึ่งผู้ทีฐานจิตไม่ดีนี่นะไม่ประสีภาษาให้ไปนั่งหลับตาก็จะได้ในวัฏฏญานะัฏฏ ญ, ญา น, นี้แหละเร็วๆอันนี้แทนที่จะได้ปิดวิตกได้รูปฌา น, น, านะานานะมาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเออเบขขาอาการสารานจายตนะวิญญาณานจานนัตนะอากิญญาณายตนะไม่ได้หรอกฟังให้ดีนะมนตรีละกานะกลับนะแทนที่จะมาไล่ตนมาแั้วใส่วิตกวิจารใช่ไหมปฏิบัตินั่งหลับตาชานเหล่านี้มันมาได้ในวัฏฏญานะัฏฏ ญ, ญานี่ พวอินทรีปลาอ่อนเนพวกไอ้นั่งหลับตาพวกนี้พวนั่งรับตาข้าวนี่มันจะมาได้อันนี้ซึ่พวกนี้เชิงชั้นเชิงมากเลยเกินผมว่าอธิบายไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะคผมมีชีวิตอยู่อีกห้ารปีผมจะอธิบายพวกนี้ยังจะมีซับซ้อนกันอีกมูนไม่เข้าใจแต่พวกคุณเข้าใจได้แต่ก็ก็ไม่รู้เรื่องนะโอ้โหวนที่สุดหมุนปวดหัวที่สุดเลยเพราะงั้นพวกนี้เราจะต้องรู้กรรมฐานกันจริงและอนาปานสติกก็จะเป็นขั้นอย่างนี้ผู้จะปฏิบัติอนาปานสติกอันเป็น เป็นบทปฏิบัติเก่งขนาดหยิบเอาลมหายใจมาเป็นรูปซึ่งมันละเอียดขนาดต่อจากฐานนี้ก็จะถึงอากาสานัญจายตนะจริงๆคือเอาธาตุความว่างโมเลบปริเชษรูปเป็นรูปและจะอ่านอารมณ์จิตหรือจะจับนามธรรมในขั้นละเอียดที่สุดกันขั้นแม้แต่รูปยังสุขุมเล็กละเอียดประนีตขั้นอากาศซึ่งละเอียดกว่าลมหายใจหรือวาโยธาต ในสภาพนั้นไม่มีลมหายใจนะเพราะว่าถึงฌานสี่แล้วเข้าใจไหมพราะอากาศสารานใา ย, ยาัตนญนี่หลับตาแล้วนี่ในท่าหลับตาแล้วก็ไม่มีวิตกวิจารณ์ไม่มีปิติไม่มีสุขอุเบกขาวางปล่อยเฉยนี่นะวางเป็นอากาศธาตุลงเฉยอยู่นี่มันไม่ใช่ลมนะลมมันต้องมีโบกไหวท่าลมต้องมีโบกไหว แม้อภิธรรมกสสนี้ก็ลมจะต้องลังกษณะโบกไว้า่าอารมวายทาุท่านี่มันมีโบกไม่มีไว้ไม่มีอะไรเลยล่องอยู่เฉยๆจึงเรียกว่าปริเฉทรูปคือรูปว่างปริเฉทรูปรูปว่างๆไมเฉยนะคุณจะต้องกํำหนดหมายให้ดูอาการนี้ของคุณถ้าเพบว่าคุณจะเล่นทางหลับตาไปดู หรือแม้แต่ทางลืมตาก็ตามอากาศที่มันโล่งไปเฉยๆไม่มีอะไรว่างโล่งไมปเฉยเนี่ยมีได้แต่ยากกว่าหลับตาหาโล่งตัวนี้ยากขึ้นไปอีกเพราะลืมตาเนี่ยมันยังมีอะไรแต่ใดที่เป็นสภาพแล้วจะทําให้จิตมันปล่อยไอ้นี่ก็ยากแล้วยังจะปล่อยปจัจจุกธาตุนี่มัมีเลยในสายตายากยิ่งกว่าหลับตาซะเลยหลับตาแล้วไอ้มืดนี่เปลี่ยนเป็นโลง่งว่างเฉย ปรับจากอสัญญีหรือมุดเฉยเนี่ยมาเป็นอากาศาให้มันโล่งว่างนะยากนะมันละเอียดขั้นปริเฉทรูปออกป่านนี้นคือละเอียดกว่าลมหายใจหรือวายโยธาละเอียดกว่าลมหายใจเพราะการคำแตกสิ่งแตกต่างจากวายโยธากับอากาศสัทนานี้แยกออกนะวายโยธาไม่ใช่อากาศสัทนาอากาศสัทนาไม่ใช่วายโยธา แต่ข้างนอกส่วนสัตว์ในโลกนี้ที่ในบรรยากาศต่างๆเหลา่านี้แล้วเรียกมันว่าอากาศโดยภาษ า, าเฉยๆแต่แท้จริงมันคือในบรรยากาศพวกนี้วายโยธาต์นะมันไหวอยู่นะแต่คุณไม่รู้ความไหวของมันเพราะคุณไม่มีภาษะที่ละเอียดพอนี่มันมีอะไรเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเลยไหวอยู่ตลอดเวลาเลยวายโยธาต์นะในบรรยากาศพวกนี้ มันเคลื่อนกันอยู่คุณภาษาได้ไหมอ่ะเบาบางจนกระทั่งโตนผิวหนังนิยาบมันจะมีเจอทีดีอะไรเท่าไหร่มันไม่รู้มันมันมันเคลื่อนถ้าวาโยธาชาติชามันก็เหมือนจากสภาพพบกับสภาพชาให้มันเป็นเป็นมันต่อต่อกันมันแยกละเอียดมากนะพบกับชาติแยกละเอียดมากพบก็คือสภาพจิตนั่นแหละถ้าเราเอาไปพบกบหยาบก็อยู่ที่นี่นี่เป็นพบหรือภูมินึง ไปอเมริกานะี่ยคืออีกพบอีกภูมิหนึ่งขันโดยแม่น้ําทะเลขำโดยมหาสมุทรโลกนี้กับโลกพระอาทิตย์โลกพระอังคารโลกพระจันทร์คนละพบอันอีกหยาบเต็มทีหรือเอาว่าเกิดตายเป็นพบตายจะขันนี้รูปนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ระเบิดแล้วสลายแล้วไปเป็นก้อนใหม่นี่เรียกว่าพบความคิดคิดแล้วเป็นก้อนเป็นรูปตายสลายไปก่อนชั่วเวลาหนึง่งคิดใหม่ ความคิดอันนี้ก็เป็นพบหนึ่งความคิดใหม่นี่ก็เป็นอพบหนึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าอาการกระทาจะคือพบแล้วก็วิญญาณนะคือชาติมันคล้ายกัน <c oughs> คือความเกิดมันตายจากความคิดจุดนี้แล้วมันก็มาเกิดอีกจุดนี้เราถือว่าไอ้นี่ก็เป็นพบใหม่อันนี้จะเป็นพบเก่า <ฮะ S 1> การเกิดลักษณะอาการเกิดนี่คือชาติความคิดที่เกิดใหม่นี่คือชาติชาติมันก็คือพบที่มันอยู่ในพบนี้อ่า ที่มันเกิดอยู่ในจิตเนี่ยชาติมันก็คือที่มันอยู่ในภพนี้ชาติที่แล้วคือมันชาติตายไปแล้วภพที่แล้วนะผ่านไป <S <S ความคิดก้อนที่แล้วผ่านไปใช้คําว่าก้อนไม่รู้จะใช้อะไรนะความคิดจุลน์นที่แล้วผ่านไปความคิดใหม่นะี้คิดอยู่ใหม่เกิดอยู่ก็มีช็อปนี้อยู่ถ้าเรายังคำ น, นวณว่าถ้าเราคิดอันนี้ได้แล้วจะไปคิดั น, น, นไปรู้อันต่ อ, อล่วงหน้าอะไรทีนเรียกว่าภพหน้า มันรู้นี้เป็นปัจจุบันรู้อันนี้อยู่แต่เรายังมีลูกลูกต่อเรียกว่าสัมพัทภาพมันเข้าใจอะไรต่อไปไกลๆอันนั้นยังมีสัมปรายะพบมีพบหน้าที่จะเกิดต่ออยู่เรารู้ก็รู้แล้วแหละแล้วเรามายึดมันที่มันก็กลับมาอยู่พบปัจจุบันเท่าอีกอนาคตั่งสยานก็คือความรู้ที่รู้ในสัมปรายิกะอันที่จะเชื่อมต่อออกไปจากอันนี้เป็นสัมพัธภาพเป็นปอิทัิปัยตา เพราะเหตุนี้เราจึงจมันมีสพัพพะภาพเป็นอันนี้ออกไปต่อได้อยู่อีกละเอียดนี่เราพูดถึงสิ่งไม่มีตัวตนแล้วนะเป็นจิตเป็นญญาณเป็นความคิดนะมันไม่จะรูปแล้วนะอะอย่างนั้นะเราเข้าใจได้ละไอ้ลูกต่อลูกอะไรเรืงโลกลวลูกตัวแต่แทงก่อนอะไรพวกนี้มันง่ายแต่รูปหยาบนะตอนนี้ออกไปจนกระทั่งถึงประมาณนี้มันขั้นปริเฉทรูปออกป่านนี้และแล้วขั้นจิตในจิต ออกปานนี้แล้วแล้วดูว่ามันจะไปะต่ออันนี้มากกว่านะอ่าแล้วนี่ขีดขั้นตรงที่คําว่านี่แล้วแ้วถึงจะกวัดอ่อ่าต่อไปต่กหลังวงเล็บเนีขั้นอภิเฉทรูปออกปานนี้แล้ว คืออันนี้ว่าและจะอ่านอารมณ์จิตหรือจับนา ม, มาทําในขั้นละเอียดที่สุดกันขั้นแม้แต่รูปยังสุขุมเล็ละเอียดประณีดขั้นอากาศขั้นปริเคทรูปออกปานนี้แล้วขั้นจิตในจิตหรือขั้นนามจะละเอียดลึกซึ้งเชิงซ้อนกันออกปานไหนก็ขนาดอากาศาธาตุวายโยธาเ น, นี่ยังแยกออกให้มันด่างกันอย่างนี้แล้วขั้นที่ละเอียดลึกซึ้งของนา ม, มาทําต่อไปอีกมันจะละเอียดออกไปอีกปานไหนก็ลองคิดดูลองคิดดูนี่ว่าขีดวักและ ปฏิบัติขั้นนี้ระดับนี้จะเดินทางเข้าสู่บทของสันตะวิหารต่อไปจริงๆนี่เป็นสันตะวิหารนะอรูปฌานนี่ยอาการส า, าัญจาวินาอิวิญญาณัญจา อ, อากินจันแล้วก็ในวสัญญาณานวิญญ า, นานเนี้มันขั้นสันตะวิหารนะมนไม่ใช่ขั้นตื่นตื่นเอาผู้ปฏิบัติจะเกิดญาณได้ก็จะต้องมีวิตกมีจิตวิตกวิจารเป็นเป็นแล้วจริงๆช่ำชอง ตามขั้นตามระดับขึ้นไปเรื่อยๆแท้ๆมิใช่ว่าสภาวะวิตกคืออย่างไรวิจารณ์คือชไหนก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้สัมผัสจริงยังนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อเกิดยานเกิดนิมุติไปได้โมเล็บแม้ตัวผู้ปฏิบัติธรรมนั้นนั้นจะไม่ทราบชื่อว่าการกระทําอย่างนี้อาการอย่างนี้ในตนเรียกว่าวิตกอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรขอใหม้มีสภาวะอันนั้นจริงกันแล้วกัน ขอให้มีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นที่มันเป็นสภาพของวิตกวิจารณแทๆ้ๆจริงๆในตนเทิดลักษณะเกิดก่อนเช่นนี้เรียกว่าธรรมทิฏฐิซึ่งมันเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดก่อนญาณมิมุตญาณนิพพานมันเป็นธรรมทิฏฐิมันเกิดเกิดก่อนอันนั้นเรายังอธิบายไม่ออกก็ะซำซ้ำไปแต่มันไม่ใกล้เกิดซ้อนนะวิตกวิจารเกิดจริงในจิตจริงมันซ้อนอยู่จงกระตั้งคนจะมีเญาณมิมุตหรือญาณนิพพานคือมีมีมวิปญญาทัศนะ รู้ว่าออมันวิมุตย์อย่างนี้ยานที่พิโตวิจารมันเป็นอย่างนี้มีปัญญารู้ขึ้นวิถีเลยคุณถึงจะเอามาพูดได้ถ้าคุณยังไม่มาพูดแต่เกิดก่อนก็ยังดียิ่งพวกมัเกิดก่อนแล้วยิ่งไม่ได้เรื่องใหญ่เลยไม่ต้องพูดถึงกันเพราะพิโวิจารก็ยังไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีมันเป็นหรือไม่เป็นได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะวิโตวิจารก็ไม่รู้อย่ามาพูดกันให้ยากเลยในเรื่องอากาสารันจายาตนะปัญญาันจายตนะอย่ามาพูดกันเลยปากเปล่าเพราะฉะนั้นคนอธิบายฌานกนนีี้้ถึงทําาใหเสยบลั เพราะว่าชานี่เป็นอุตริมนุษยธรรมเป็นอจินไตยผมพูดเดี๋ยวนี้ผมพูดอจินไตยในฐานะของผมโพธิสัตว์ผมกล่าวว่าคุณ น, นี้จริงๆมันต้องรู้จริงๆเพราะงั้นเดี๋ยวนี้เอาชานมาอธิบายที่เเป็นชานลูษีเลอะไปหมดลูซีอธิบายชานเละชานนั่งหลับตานะนะั่นแหะอธิบายเละเพราะพวกคุณเนี่ยคุณสิริจันโทกับท่านกวิโทสองท่านนี่ไป หาอาจารย์ทางด้านสายนั่งหลับตาถาม Alf. อาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าอาจารย์ใหญ่แล้วบอกกาหนดฌานยังไงฌานเขาไปกาหนดขั้นตอนยังไงอะไรก็กะกะกะเอาแล้วกันมันพูดไม่ได้พูดภาษาไม่ออกอ่ะแล้วก็แบ่งถูกที่ไหนไม่แบ่งไม่ถูกหรอกแบ่งไม่ถูกหรอกแล้วคนที่จะถึงขั้นรู้อรูปฌานนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นธรรมดาจะมีแต่ขั้นรูปฌานเท่านั้นหขั้นอรูปฌานที่เป็นแท้นี่มันไม่ใช่ดัืงเล่นนอกจาก อรูปฌานเละๆ เ, เนวะสัญญาณนาะสัญญาหรืออาันยีย่งเก่งเป็นวิญญาณัญจายตนะกับอากาสาัญจายตนะจริงๆยากมากคนที่เก่งที่สุดที่ทำอรูปฌานได้คืออากาสานัญจายตนะ อ, อะจะบอกให้และคนที่เก่งที่สุดก็คือออกจากอากาสาัญจายตนะและก็นิพานธุริยจ้านิพานตรงไหน ม เ, เมื่อย้อนมีตกวิจารไประกระทั่งไล่ไปถึงในวัญยานาสัญญาทําสัญญาวิเบธิกิตานิโรธตรวจดูหมดแล้วอย่างชัดเจนแล้วย้อนมาอากิญจาย้อนมาวิญญาณัญจาย้อนมาอากาสาออกจากอากาศาัญจายนตนะและก็ น, นิพานเป็นเบื้องต้นจากท่านเองที่ท่านมารูปแล้วกลับไปท่า น, นึ่งแล้วขึ้นมาระห ว, ว่างอ่าระหว่างอีกทีแล้วก็ตรวจประโระทั่งถึง วิตต ว, วิจารและย้อนถอยกลับมาถึงอุเบกขาและก็นิพานใช่ไหมระหว่างนี้นิพพานตรงระหว่างอุเบกขาชานที่สี่กับอากาสาร า, ญญานจายัตนะสูงสุดที่สุดอากาสารานจายัตนาี่สูงสุดถ้าอารูปฌานนะฟังดูแล้วตลกตายเลย <c oughs> เคยได้กันไหมแล้วไม่ยงมีสติ สติเต็มแล้วโล่งจริงๆยากมากเลยรู้อะไรแตกอะไรสลายรู้ไม่ไม่มีแตกไม่มีสลายไม่มีอะไรเลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่มีตัวเราไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรสลายตัวเราก็ไม่มีตัวเราจะได้ครั้งเดียวในชีวิตคนคนหนึ่งเพราะนอกจากครั้งนั้นแล้วมันจะเป็นวิญญาณนันจายตนะพอได้อาการา์นันจายตระพับ ในช่วงแรกเท่านั้นเองมันโล่งมันไม่มีเลยเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเราหรือไม่มีเราพอได้แล้วเสร็จประเดี๋ยวมันจะรู้ตัวว่าอ๋อเราแต่เรานี่ยังเป็นสมมุติแค่อากาศแต่เป็นความรู้สึกอ๋อนี่เราเป็นใครเป็นใครทีนี้ก็ลึกรู้บัญญัติแล้วว่าเราเป็นคนนั้นคนนี้แต่ไม่มีตัวตนหรอกเป็นแต่ธาตุรู้เฉยๆเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปอีกอากาสานัญจาจตนะจะไม่มีอีกนอกจากวิญญาณัญจายตนะคนหนึ่งคนได้หนึ่งครั้ง แต่ผู้ที่ผู้ที่ได้ประิยัติหรือว่าผู้ที่มีสมาธิดีอย่างนี้แล้วก็จะได้อากาศสายา น, น, น้อยมากไม่ใช่น้อยมากมันได้ครั้งเดียวเขาพอได้เป็นแล้วก็รู้ตัวพอรู้ตั ว, ตตวเป็นวิญญาณอ<ม>าจารย์เรารู้ตัวแล้วเราไปได้อากาศสายอีกนะเราจะได้อีกเหมือนกับในฝรัง่งพระฝรั่งนั่นนมาเนี่นนะจะไม่มีอีกให้เขาควานหายตายก็ไม่มีอีกแต่เราไม่มีปัญญาที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างนี้หรอกพูดกันไม่อได้เรื่องรอกยิ่งนั้นก็ว่า คือแว่าพอรู้แล้วเนี่ยมันฉลาดแล้วมันจะไม่กลับไปโง่อีกใช่ไหมใช่เราจะไม่ไปโง่อีกมันได้ครั้งเดียวแล้วเรารู้แล้วสัมผัสแล้วว่าอ๋อมันอร่อยอย่างนี้นี่เรามันถึงได้ติดอาตมามีภูมิรู้นะอาตมาถึงรู้ว่าอร่อยแล้วไม่ไปติดถึงไม่ไปโหยหาเหมือนอย่างในฝรั่งคนนั้นแล้วทำไมอาจารยบอกว่า ถ้าเขาต้องการสิ่งนี้เขาพาเทนไปเขาก็จะได้เองขาหลงก็ไม่มีทางพูดอีกแล้วแล้วเขาก็จะไม่ได้สิ่งนี้หรอกจะไม่ได้ไออาการสาเนหรอกเขาจะไปได้วิญญาณันจาเขาจะได้อสัญญาเขาจะได้ไอพวกนี้เองแล้วภูงเขาก็จะรู้เข้าใจจนกระทั่งมารู้มันอย่างอัตมารู้แล้วเขาก็จะถดถอยถ้าเขาไม่รู้ไม่มีอาจารย์สอนเขาก็จะยงงานนี้ไปตายอีกร้อยชาติพันชาติและอย่างนี้เขก็จะยึดมั่นใจว่า จะต้องไปได้อีกยังก็ไปตามใจเขาสิเพราะมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะไปสามารถที่จะปั้นแล้วได้ลักษณะเดิมว่คือสัญญาที่เขาจำตรงนี้ได้ได้ได้จะได้อีกเหมือนกันถ้าพูดที่ยังไม่มีญาณปัญญาที่แท้เขาจะได้อีกและเขาก็จะหลงอีกนะแต่ว่าถ้าพูดที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วได้ครั้งเดียวครั้งเดียวพรูผ่านแล้วมันก็เข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรอย่างเลย เม่อวันที่เขาบอกว่าเป็นขั้นอนุบาลเขาโทรใช่นะอนุบาลก็ก็จะเล่นไปแล้วยากยากมากไม่ขอว่าเป็นขั้นที่จะให้เราเก้าไปสูทางไม่ต้องไงพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเล่นนี่เลยแต่แต่ว่าคือความเข้าใจของเขาเนี่ยเข้าหมายเขาบอกเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพ่อท่านพูดก็ได้แต่นี่อย่างเขาพูดนะหมายถึงว่า จะผ่านขั้นนี้ไปเพื่อที่จะก้าวโดสูงขึ้นมันก็มีพลาวาจจัยมีมีความหมายาำว่าเหมือ น, นอปปเหมือนอุปบันาะมีได้หรือเปล่าใช่ไหได้แต่มันช้าถ้าเลิกเส้นได้ อ, อัตมาพยายามใครก็ปล่อยใช้ให้เลิกแล้วผู้พยายามช่วยกันใช่ไหมแต่เขาไม่เอามันช้าก็เหมือนกับจายอมถ้าคุณจะเอ า, อานี้ก็ต้องเอาแหละไอ้คุณจะเดินนี้ก็เอา<ช>ที่เราไม่มีโอกาสที่จะไปคุกครี่เขาเรือ จ, จะช่วยเขาอีกต่อไปก็เอาที่ก็วันสุดทางแล้วนี่ แต่ตอนนี้ในการมีอย่างนี้เมื่อเขาได้ธรรมทิฏฐิอยากที่เขาะอบรมไปในหลยเป็นบัญญัติตอนนี้ก็แสดงว่าเขาก็มีสัมาทิที่เตือนอยู่ในใจนาจ่ายเป็นธรรมิติแม่ก็จะทาต่อเนี่ยเาก็คงไม่หลงทางใบแหน่หรอกเขาก็ยังอยากจะได้อะไรอะไรแปลกๆอยู่อีกที่เราไม่ได้พูดถึงยงเยอะเพราะไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่มีเท่านี้มนีอะไรอีกเยอะๆแยะซึ่งไม่เคยเข้าทีหรอกอันนั้นะมันไม่มีอะไรแล้วมันแย่แล้วอะต้องขึ้นอยู่กับว่าเ้าัร อ่าถ้าเขาศรัทธาเขาก็เชื่อมั่นเขาก็เห็นอันนี้จะมีประโยชน์ถ้าเขาไม่ศรัทธาก็ฟังแล้วเขาก็จําได้อยู่เหมือนกันแล้วแม่เมื่อเขาไม่เอามาประกอบม่เขาเอามาใช้ประโยชน์เขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคําฟังถ้าเขาเนี่ยมันเนื่องมาจากอสภาพที่เขาผัดจเอรอบด้านเนี่ยขัดจัอย่างเนี้นะคะทำให้เขาเกิดศรัทธาเหมือนกันไม่ต้องดูจากรูปนอกที่เขาสัมผัสเรื่องสิ่งนี้เป็นศรัทธาที่ขวางเขาแน่นไม่แท้คําพูดอะไรต่างๆ เป็นอง์ประกอบเป็นกายกรรมปัสสาวะมันได้ทั้งตาหูจมูกก็มีบ้างเขาได้ใครมาผ่านเราได้ทุกคนแหละไม่ทำบัณฑิตแห้ทุกคนเนี่ยมันจําได้เป็นแต่เพลว่าเขาจะจำมากแค่ไหนก็จะซึ้งใจแค่ไหนก็จะเรียกว่ามันมีความรู้และความเข้าใจมันก็ประทับใจมากน้อยแค่ไหนตอนนั้นเองถ้าก็ไม่ประทับใจก็แค่ตาผ่านมันทีลืมแล้วแต่มันก็ไม่ลืมแท้หรอกมันก็ยังมีเชื้อไอลืมนี่ยากจริงจริในโลกอ่า รถมาแล้วใช่ไหมก็มจะรอนานไปนะเนี่ยเนี่มันหกโมงสิบมาแล้วอาจจะพงเขาหน้ากระทวนอีกก็แล้วกันมันต้องทวนอยู่ดีอ่ะนะเพราะว่าไอ้พงนี้มันละเอียดจนกระทั่งมันไปกระเด็บกระเด็บก็มาพูดหลังอรหันแล้วอ่ะพูดหลังสุดยอดปฏิหารแล้วก็ไม่รู้จะไหวยังไงนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะเรื่องเป็นอะจินไตท่านะน่ะนี่นี่เราสอนที่พรรูดขั้นตอบที่ทำอยู่นี่มันอจินไตนะที่จบลงไปแล้วนั้น เป็นการอบรมธรรมเชา้าบรรยายทางเอกภาคหนึ่งที่พุทธสถานสันติอโศกเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2519 ผู้ปฏิบัติธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติธรรมย่อมจะเติเกิดยะถาภูตยานทัศนะหากปฏิบัติธรรมแล้วไม่เกิดยะถาภูตยานทัศนะจะเป็นผู้ไม่เจริญวนเวียน ซ้ำซาและหลงทิศหลงทางไม่เป็นสัมได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมของพระสมาะสมุทเจ้าจะต้องมีการตรวจตราตรวจตนรู้ชัดในความเป็นจริงความมีจริง ความเกิดจริงและรู้ชัดในความไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่เกิดจริงหรือความที่มีบ้างไม่มีบ้างที่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ขนาดนั้นขนาดนี้จะต้องเป็นคนที่รู้จริงรู้ชัดยะถาปูถยานทัศนคหมายความว่า ความรู้ความรู้ยิ่งในธรรมที่เป็นจริงได้จริงมีจริงของตนของตนู้ปฏิบัติธรรมจะต้องตรวจตราจะต้องสอดส่องจะต้องเข้าใจทั้งความหมายและจะต้องเข้าใจทั้งความมี ความเกิดจริงและความยังไม่มียังไม่เกิดจริงแม้จะรู้ความหมายแต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่เป็นยังไม่มีก็ยังรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทัพูที่ได้ศึกษาทั้งปริยัตรู้เบื้องต้นทากลางบรรปลายของความหมายแห่งวิชาการ แห่งหลักการแห่งมาตรการแล้วย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีระดับมีขนาดไม่สับสนไม่วุ่นวายจัดไล่เรียงไปเป็นบื้องต้นทางกลางปั้นปลายได้อย่างเรียบร้อยและเร็วไม่ซ้ำแซะไม่ยุ่งยากไม่วกบน แต่ถ้าพรอผูดด้ใดปฏิบัติธรรมโดยไม่มีปริยาติอันละเอียดละออถูกต้องปฏิบัติธรรมไม่มีหลักการซ้าแซะสับสนผู้นั้นย่อมปฏิบัติธรรมแม้ที่สุดอาจจะไม่ได้อะไรเลยเป็นแต่เพียงลิ้มๆิมเล็มเล ม, ล ม, ล ม, ลมอยู่ในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้น จึงต้องระวังพยายามต้องสอดส่องความจริงอย่าหลงผิดตรวจตราไตรตอมีบุเพนิวาสานุสติญาณตรวจตราจุกตูปปะตะาตญาณตรวจตราระลึกดูความเกิดความดับดูความเกิดจริงของกิเลสที่มีอยู่และ ด, ดูความดับจริงของกิเลสของเราที่มีอยู่ แล้วเราจะรู้แจ้งชัดเจนว่าตัวเราเองนั้นมีธรรมะจริงหรือไม่มีธรรมะจริงแค่ใดแค่ใดเราจึงจะเป็นผู้ได้ชื่อว่าเกิดยะถาพุทธญาณทัศนะ